เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายทำทุกๆท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งเพื่อสนทนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาท่านที่สนใจอยากจะเข้ามาร่วมสนทนาก็าเชิญเข้ามาได้เราก็ไปที่ขาประจำก่อนเด็กชายพี่แค กลับแล้วพระอาผาับพ้าจารเป็นเด็กดีหรเปล่าครับอาเทนีก็ถางปอกว่อาจารย์ดีหนูมั่นใจไม่เด็กดีครับพรอจายดียังไงบ้างคเชื่อฟังคุณครูครับอ่าอะไรอีกแ้ก็จจอ่าเชื่อฟังจ้าจ๋าเชื่อฟังเ จ, จ้าจ๋าครับไม่ด้ไม่สนนะนิดหน่อยครับ นิดหน่อยครับนิดหน่อยก็ยังไม่ดีเลยถ้าดีต้องไม่มีอะไรให้ติเลยเดี๋ยวจะซ่อมให้จะซ่อมพัฒนาครับโอเคมีอะไรวันนี้จะมาสอนมโนทังก็ลอะระหังอะระหังสมมาสัมพุทบธภะคะวะพุทโธเอื้อวเทมิอะระหัง สวัสด u คุณผู้ชมทางธรรมะธรรมะนวัตมีสุภาปิปันโนพะกวดวตสังกูังงนามามีนามงพระศาพวดวตุอวมนาตุสามาสังบุตสานามุตส์พ a ะกวดวตอวลาตุสาสังบุสามพุสสมส ุ萨นังกัจจามธรนังกัจจามิทุตยังสังข์คังสลังกัจจามิทุติทุยามพุทธังสลนังกัจจามิทุติยังปิสังังสลาังกัจจามิทุติยังปิสังคังสลาังกัจจามิทุตยังปิสังข์คังสลาังกัจจามิปุตยังปิสังม์ ปฏิยามปีสังฆาเชนัปานิแกนี้ไหมหรือเพิ่จะตอแค่นอแคนีบอกครอาจารย์แค่นีค่ะแคนี้ครับอาจารย์อเก่งมากครับข้าวหน้าต้องมีเพิ่มไหม้าน้าเพิ่ม้าวาเพิ่มได้หมอ่าอิติปโนะเดี๋ยวเดี๋ยวเมอีกนึงอ่าครายเพ่อีกหนึ่งอันครับอาจารย์เดี๋ยวทุกคนจะเพิ่มไป หน่งไม่ได้นะทุกครั้งหนูไครับอจารย์เ<ะ>อบอกว่าอาจารย์อทิ่หน้าลูกไปญี่ปุ่นเลยอาทิตย์หน้าไปญี่ปุ่นครับเออแม่ไปด้วยเปล่าไปด้วยครับอาจารย์เออโอเคจ่ญี่ปุ่นน ะ, ะนนนก็แม่สกังครับอาจารย์ ค่ะไม่วันนี้หนูไม่มีคําถามค่ะพอดีไปเจอคุณแม่ของน้องพีที่เรียนของน้องคุณนะคะพระอาจารย์เมื่อวันอาทิตย์คุณแม่เขาบอกว่าช่วงนี้ยุ่งๆฝากกราบพระอาจารย์ด้วยค่ะาไม่รับฝากอะต้องมากราบอ่าอยากกราบต้องมากราบอะอ๋ะ อ, อ<ะ>นี่ฝากไม่ได้ฝากไม่ได้เลยจะฝากยังไงกราบยังไงกราบสามทีเป็นของพีอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้กราบแล้วกราบ ค่ะให้พระอาจารย์ทัดแข่งแข็งแรงนะคะเขาดีนไม่แน่ใจว่าจะเข้ามาทันหรือเปล่าค่ะแล้วแต่กดอนิจจังมานาตาค่ะพระอาจารย์จะพยายามค่ะถึงญี่ปุ่นเราตกเท่าเลยค่ะอย่าไปทุกข์กับมันก็แล้วกันค่ะพระอาจารย์ไหวให้เป็นไปตามอนิจจังมานาตาค่ะเมสราเซราในวันนี้ต่มตามเพลงนั้นเลยใช่ไหมคะนั่นแหละตามนั้นได้สบาย ยิ่งสันโดนี่ทมนี่ทำเกินค่ะโอ้แต่มีมีเรื่องรายงานพระอาจารย์ค่ะคืออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ น, น้องคูณทําไมทําอย่างนี้โูกมีกิเลสเข้ามาค่ะพระอาจารย์คือมีมีมมม <c oughs> ใครเห็นก็ไม่อดีกว่ามากก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เลยรู้สึกดีขึ้นมาอะไรนะคะใครมีใครรู้เราอ่ะเรารู้เรารู้อ <c oughs> ถ้าเราไม่รู้ไปอย่างเราเป็นคนรู้เนีย่ย ตค่ะค่ะเราเจะกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะตัวเราเนี่ยไม่ใหญ่คนหนึ่ง น, นะคุคิดอยู่หลายวันเลยค่ะพราะอาจารย์แบบมันมันมันเหมือนแบบย่อโยนกิเลสมากเลยเพราะว่าคือไม่ได้ทําแบบเอาผิดมาแต่ว่ามันมันก็ไม่ถูกเท่ทีเดียวก็เลยแบบเราต้องลงชนะหรือแพ้มาชนะค่ะค่ะอาจารย์เรากู้สึกแบบเออดีแล้วที่ไม่เอาอืมเนี่ยละคือการรักษาศี ต้องมีข้อสอบเพื่อนึกดูว่าเรามีสินจริงหรือสินป่อมอตอนนี้เราสมาทานสินหน้าแมไม่ได้มายควาว่าเรามีสิหนห้านะพระาจรยัต้องเราตอนที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาทดสอบใจเราจริงๆก็ถามอะไรในโกหกหรือเปล่าตอบความจริงได้หรือเปล่านี่ ข้อมืสานี้ยังยังไม่ยังไม่ยังไม่สอบตกเป็นประจำเลยสอบตกประจําเลยค่ะข้อขอหากไอข้อมุสานี้เป็นอะไรที่ลําบากใจมากแต่ว่าถ้าเราไม่ได้พูดไปเพื่อให้ใครเดือดร้อนก็ไม่ไม่ผิดอะไรหรือเปล่คะก็ไม่พูดเสอย่างว่ามันก็ไม่ผิดนะอืบางทีมันก็หลีเลี้ยงไม่ได้ในเรื่องจะไม่ได้เฉยเมันจะลาบากเลถ้ามันหูหนวกไปบ้างก็ได้ฮะว่ายังไรนะฮะ ไม่ได้ยินปอดภัด้วยชอบชอบชอบเป็นแบบตอนตอนเวลาต้องบอกความล่องความลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะในที่ทํางานส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับงานทั้งนั้นเลยค่ะขึ้ขอผ่านไม่ได้เลยพยายามค่ะอันไหนที่แบบว่าเออไม่พูดได้ก็จะพยายามไม่พูดค่ะอาจารย์อ่า ทุกครั้ง่เราก็คุณค่าวองเรก็ลดน้อยถอยลงไปตามลําดับใช่ค่ะเลยรู้สึกว่าเออไม่พูดดีกว่าให้ให้เขาคิดซะว่าเราไม่รู้เรามไม่ได้ไม่เออไม่เก่งซะดีกว่าที่จะพูดไปค่ปะเครดิตเครดิตที่ธนาคารมันจะน้อยไปเปรื่อยกู้เข้ามาแล้วไม่ไม่ไม่เคยเนาะธนาคารมัน เ, มเครดิตก็จะลดน้อยไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ธนาคารก็ไม่ให้เรากู้ ใช่ค่ะโอ้ oh, แต่ศีลห้านี่หนอูอาทิตย์นี้สองอาทิตย์นี้มีมาแบบทดสอบเกือบทุกข้อเลยค่ะอาจารย์แต่หนูันรู้สึกว่ า, วาเอ้ยผ่านมันมาได้แล้วพอผ่านมาันมาได้แล้วก็รู้สึกภูมิใจค่ะนี่ค่ะคุณนยารักษาไว้ให้ได้นะค่ะพระอาจารย์เราเป็นมนุษย์เราต้องมีเสียหน้าถึงจะเป็นมนุษย์ที่แท้จริงใช่ค่ะยิง่งหนูร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจอาจจะไม่เป็นมนุษย์นะ ถ้าเราถ้าผิดศีลเนี่ยะจะเป็นเดราชานก็ได้จะเป็นเปรตก็ได้อย่างนี้ที่เห็นเงินเข้าเนี่ยแล้วก็อยากจะได้ขึ้นมาเนี่ยเอพราะว่าให้ทำเลยค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเข้ามาเลยอาจารย์ค่ะเพราว่าแบบว่าเหมือนแบบล่ออะไรแบบเหมือนมาตกเบ็ดอย่างเงี้ยค่าบาาอกอโอ้เอาไปสิเอาไว้สิไม่มีใครเอานะเนี่ยเขาขอให้เลยนะไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้เลยค่ะพระอาจารย์คือถ้าเอาก็แบบ สบายสบายอ่ะแต่กนแท่งกรรมมันไม่สนใจใครรู้ใครเห็นหรือั้ยใช่ค่ะอพอพอพอพ อ, พอไม่เอาท้อตัดสินใจว่าไม่เอาแล้วปุ๊บมันมันเหมือนแบบโล่งแล้วก็เบามากค่ะอาจารย์นั่นแหละผลที่เกิดจากการที่เราปล่อยวางได้แล้วแล้วก็มี <laughs> มีสีข้อมีสินข้อกรรมมาทดสอบเหมือนกันค่ะก็คืออืม มีคนที่เขามีครอบครัวอะไรแล้วอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็มาแบบพยายามที่จะมาออฟเฟอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าจันแล้วหนูก็ตัดใจรับไม่คุยไม่คุยใช่ไม่คุยไม่ต้องเดี่ยวต้องเด็ดขาดใช่ค่ะเขาสงสัยเขาเห็นว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวป่วจะลํำบากใช่ค่ะแต่หนูก็แบบตัดทุกอย่างตัดแบบไม่ไม่สนใจใครเลยก็ขา มันก็เลยรู้สึกโอ้เราชนะได้ดั้งหลายข้อเนอะเหลือแค่มุสาเนี่ยทาไมไม่ได้ไม่มได้เราเป้าไว้เดี๋ยวต่อไปนี้เราจะต้องเอาชนะข้อมุสาให้ได้ค่ะพระอาจารย์ต่ก่อนนอนหนูก็อธิษฐานตอนที่นั่งสมาธิทุกวันนะคะที่พระอาจารย์บอกว่ามันจะต้องมีศีลใช่ไหมคะอา่อาหนูก็บอกว่าขอข้อมุสานะคะจะพยายามพัฒนาในทุกๆวันให้ดียิ่งยิ่งขึ้นให้มันสะอาดยิ่งยิ่ขึ้นไปอะคะ่ะ ขอบคุณค่ะกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะควาพยายามอย่หงไรความสาเร็จอี่นั่นนะค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์ถ้าาแข็งแรงนะคะพระอาจารย์สาธุไปที่จะแม่จะแก้งที่โกหกบ้าเปล่าเนี่ยโกพ่อแม่รู้างเปล่าทาไมต้องหันไปมองแม่ด้วยจะน้อมักการะก็มีบ้างก็ก็อาจจะมีบ้างครับ ยพยายามอย่าอย่ากโกหกนะมันจะติดเป็นนิสัยเลยพยายามอย่าถ้าพูดไม่ได้ก็บอกคุณแม่ว่าผมผมตอไม่ได้คุณแม่ทาขอรครับ <c oughs> ครับ <c oughs> กียิ่ก็ไม่้โกหกนะครับโอเคโทกงกันบ้านใช่ครับเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงพ้นความแก่ไปไม่ได้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 คือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนันนั้นเสร็ไปเราทั้งหลายควพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดอืมกรรมนี่แหละคือการกระทํำนี่ถ้าโกหกก็เป็นบาปเลยทำแล้วก็ต้อรับผลของบาปอืมอ่าเป็นอย่าทำนะแล้วเราก็จะปลอดภัยออจากบาปกรรมทั้งหลายทั้งปวงแล้วร่างกายเรามีอะไรบ้าง มีผมขนเล็บปนหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้าหัวใจตับตําพื่ไตปอดเส้นใหญ่เส้นน้อยอาหารใหม่อาหารเกา่าเยื่อในสมองศีรษะ น, น้ำดีน้ำเสดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงอน้ำมันค้นน้ำตาน้ำมันเหลว น้ำลายน้ำมูกน้ำไส่ข้อน้ำมูดน้ำมูดนขยข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเนี่ยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลตน้ำดีเย็นในสมองสีสันอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดไตหัวใจตับหัวใจหมามเย็นในกระดูกกระดูก เป็นเนื้อหนังฟันเล็บขนผมจำไว้นะครับดูนี่เป็นคำรูที่จะช่วยเราตัดความทุกข์ไปได้เยอะเลยนเนี่ยครับอยู่คนเดียวได้สบายกว่ า, อ, าอยู่มีครอบครัวมีแฟนมีลูกมีอะไรมทุกข์ตามมาเป็นขบวนเลยนะครับ อ, อยู่คนเดียวจะไปบวชเข้าไปได้ นี่ครับพ่อไปไม่ได้นะครับงั้น่ยถ้าเราเป็นนูกศิษยพระพุทธเจ้าเราทําตัวแบบพระพุทธเจ้า่พระพุทธเจ้าทั้งใบบดนะโอเคมีอะไรไหมไม่มีครับโอเคไปที่ก็พระผู้คนฟ้าสั่งครับทีมในทีมส่วนอะไรได้บ้างไ้ยอย่างนี้การมาสการค่ะพระอาจารย์ก็ นสมาธิได้เวลาเดิมครับวันละสิบสามนาทีครึ่ง<จ>อกวันสวดอะไรได้บ้างคะสวดเป็นอรหันสมานามัตสะแล้วก็ปา ส, า, ส า, าสิรนาตาิรนะสมาทานสี่สมาทานสี่แล้วก็อีจีพีโสครับสวดได้พังไหม <laughs> สวดได้ค่ะพระาจาเก่งใจท่านอื่นรอค่ะแต่ว่าสวดได้ให้ค่ะพระอาจารยไม่ได้เนาะท่านเองก็อยากจะฟังว้ <laughs> เกง่งใจอ่ะสวดเอาแต่สวนตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปนะั่งสมาธิได้เลยลูก <Okay. S 1> เอาเลยเอะอหังสัมมาสัมพุทโธพระาว่าพุทธังสัลกันนชาพ <c oughs> ุทธังพะขังเขินนั่นเอเาเอาตั้งใจดีๆตั้งสติ <c oughs> ใหม่ลูกพุทธสนะช่ามีไม่ใช่ใจเ ย, ย็นตั้งสติกัลูกอะหังสัมมาสัมพุทโธพระเาวาพุทธังพะขังเอภิาเทม สวาระตัวภควตาธโมทมงนัามีสุปฏิปันโนภควโตซาวกะสร้างโคสร้างขังนามีนามุตสสะภคโตโตสมาสุุทธสะนมตสสภคัปโต阿拉โตสมาสุปุทสสะนามตสสะภคัโต阿拉โตสมาสุุทสสะพุทธัสัลนาหะชามิธรรมังสัลนาหะชามิ สร้างครังสารนิังกัจฉามิุเตียมปี่พูททางสารนังกัจฉามิุเตียมปี่ทำมังสนนังกัจฉามิุเตียมปิสร้างังสารนังกัจฉามิปฏิยมปี่พูดทางสารนังกัจฉามิปฏตยมปีทำมังสานนังกัจฉามิปยมปีสร้างคังสารณังกัจฉามิปานาติารตาเวรัมณีสิกขาประทางสมาธิามิอัตินาทานาเวรัมณีสิกขาปะางสมาธิามิจมสมชาจาเวรัมณีสิกขาประทางสมาธิามิ มุสลามาธาเวรมณีสิขาปะธานสมาทิยามีสุลามระยามาชาปะมาตัทธนาเวรมณีสิขาประธานสมาิยามีลืมต้องแปลหมข้อหนึ่งวาไหปานาทิพาตาแล้วเนจากการกระทำว่าข้นหข้อสข้อหนึ่ง้าขั์ข้อสองห้างรับทรัพย์ข้อสามห้ามมีชู้ข้อสี่ห้ามพูดโกหกข้อห้าห้ามดื่มของมึนเมาสุราครับ เราทำให้ได้เก่ง่ากไอ้ส่วนต้องแต่เด็กค่ะพระอาจารย์ของนี้จําเป็นนะคุณสมบัติของชาวพุทธเราถ้าชาวพุทธเราต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งต้องบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่เราก็ต้องมีศี่ห้าเป็นพื้นฐานน่ต่างทําต้องรักษาสี่ห้าไว้ได้ถ้าเราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นมนุษย์ทางกายเป็นมนุษย์มันเป็นมนุษย์ทางใจอือโอเคมีอะไรไหมไม่มีครับค่ะก็เมื่อกี้ไม่เป็นไรค่ะพอดีขอสวดเหมือนเวลาเดี๋ยวครั้งหน้าจะให้มาทอ่องกายสามสิบสองค่ะพระอาจารย์แล้วก็จะเรียนพระอาจารย์ว่าพอดี คือสองคนแม่นุบดูซีรีส์กันนะค่ะแล้วมันเป็นซีรีส์เกี่ยวกับว่าเขาสืบคดีกเกี่ยวกับศพอะค่ะอาจารย์ทีนี้เขาก็เขาก็เขาก็สามารถที่จะดูแบบผู้บอดี้นะคะที่เป็นแบบศพร่างกายคือมันจะเห็นลำไส้แบบเละแหลกเหลวคือเหมือนแบบกระโหลกกระโหลคือเละเฟะทุกอย่างนะคะอาจารย์คือเขาก็ก็ดูได้ะค่ะเมื่อกี้ก็ลองถามเขาดูว่าเออแบบ อยู่ดูได้ไหมเขาก็บอกว่าเขาดูได้แต่ว่าเราถ้าเห็นของจริงอ่ะเขาจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเขาถ้าเห็นของจริงเขาก็จะยังรู้สึกยังมีความยังกลัวอยู่นิดๆอะไรแบบเนี้ยค่ะอาจารย์แต่ว่าก็ก็ลองให้เขาเขาดูอ่ะค่ะเพราะว่าหนูก็ให้เขาดูดูภาพวาดไปก่อนก็ได้ในครูก็คนหาอนาตอมีก็จะมีภาพวาดดูภาพวาดไปไม่ดูแล้วมันก็ไม่ไม่น่ากลัวอ่ะ ก็อย่าบอกว่าภายในร่างกายของเรา ไ, ฟไฟอ้น้ำไอ้ตาใต้ผิวหนังมีอะไรบ้างจะเห็นนําใส้อยู่ตรงไหนเห็นปอดเห็นตาเห็นตาอยู่ตรงไหนค่ะเพราะว่าตอนที่ดูหนูก็บอกเขาว่าเออเนี่ยชีวิตจริงมันก็เป็นแบบนี้แหละที่ทิ้งท้องร่างกายเอ่อกายสันสิบสองเนี่ยมันก็ผมขนเล็บฟันหนังมันก็ก็เป็นเหมือนอย่างนี้ยลูกร่างกายคนเรามันก็มีแต่แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็มันอยู่ในตัวเราเนี่ยตอนนี้มันก็ไม่อยู่ในตัวเราเราไม่เห็นอะไรอย่า เนี่ยจะได้พบรู้จักความจริงของร่างกายเราเสียทีแค่เราคิดว่าเราเป็นนน่นวาดวาวาฝันว่าร่างกายเราเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้เป็นเจ้าชายเป็นเป็นนายแบบเป็นนายนะก็ค่อยฝึกไปค่ะอาจารย์ทิศ อันนี้มันต้องใช้เวลาไม่ใช่ทำได้แบบปุ๊บปั๊มค่ะคงอีกนานนะคะอาจารย์แต่ว่ามันเรื่อยๆมันก็มันปลูกต้นไม้นะใช่ไหมคะค่อยจริติบโตขว้นมาเรื่อยๆค่ะค่ะเมื่อกี้ถามบอกว่าแล้วเนี้ยมีโกหกแม่บ้างไหมอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกมีนิดหน่อยก็เลยบอกว่าเออก็ขอบคุณนะที่ตอนนี้ยังพูดความจริง <ม>ก็มีก็ตามสไตล์ของอาจารย์ก็พยายามอยากจะให้เขารักษาสี่ห้าแต่ว่าเขาก็เอาคงพยายามเท่าที่จะได้อ่ะแต่ว่าก็บอกเขาว่าอย่ากโกหกอะไรเงี้ยมันไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะบอกเออยังดีที่พูดความจริงกับแม่นะว่าถ้าก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยออก็พยายามอย่าทําละกันอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะอ <Okay. S 1> าจารย์ไม่มีคำถามเจ้าค่ะอาจารย์ค ข, ขอให้ว่าอาจารย์ท่านันแข็งแรง น, นะจา้าค่ะค <Yeah. S 1> ่ะ มังแป๋มมีเด็กมาด้วยอยากจะให้เด็กทำอะไรไหมอ่ามีเด็กมาเปิดไฟเขียวให้เด็กก่อนอ เ, เป็นยังไงมีหลานมาเลยหลานอยากอยากเข้ากราบปอาจารย์เจ้าค่ะอ่ากราบพี่เยห้องนี้กราบพี่เยไม่ได้ห้องนี้ต้องเข้า อ, อกสวดมนต์ให้พานแมเจ้าค่ะชมนั่นไปไหม ตวจได้อยู่เจ้าค่ะเพราะว่าพาเขาสวดทุกวันอยู่เขานั่งมาสิบนาทีเจ้าค่ะเสียงไม่ค่อยดังเลยพูต ด, ดังๆเลยน่าจะน่าจะเป็นเพราะโทรศัพท์ของลูกไม่มีปัญหาหรือเปล่าพ่อจันได้ยินแล้วยังค่ะเจ้าค่ะบางทีก็ได้ยินบ่งทีก็บ้าวบางทีก็ดังแต่ก็พูดพอฟังได้อยู่ค่ะถ้าจะเป็นที่โทรศัพท์ของลูกมีปัญหามไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีอะไรไหม เขาสวดมนต์ทุกวันเจ้าค่ะแล้วก็นั่งสมาธิวันละจิตนาทีเจ้าค่ะเออดีนั่งฝึกไปตอนต้นก็ฝึกไปแบบสบายสบายไม่ต้องกดดันมากนั่งเท่านั่งได้เท่าไหร่ก็นั่งไปก่อนเขาเขาขึ้นมากเจ้าค่ะเขาจนกว่าเราจะบอกว่าพอได้ <spoilers. S 1> เขาก็ถึงขั้นพอสอนเขาว่านั่งเราต้องทาอะไรหรือเปล่าสอนเจ้าค่ะบอกว่าใหา้ให้นั่งให้ทำพุทโธพุทโธพุทโธไป เลื่อนดูลงไปอย่นั่งเฉยๆค่ะเขานั่งสามคนสามพี่น้องจะนั่งไม่หลับไม่ปิดเทอมนั่งหลับตาแล้วก็ท่องพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วจะสวดมนต์ไปก็ได้แตอย่านั่งเฉยๆ๋ย่นั่งปล่อยให้ใจคิดเรื่องนั่งนี้หนูหนูบอกความพี่ลูหนูนั่งพุทโธหรือว่าหนูนั่งสวดมนต์ ไม่นองกลัวนั้นไม่มีอะไรนั่งหลับตาไม่มีอะไรน่ากลัวถ้ามีพุโทโธแล้วไม่มีอะไรน่ากลัวเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีพุโทโธนี่ไม่แน่นอนบางออทีมีอะไรอาจจะมีอะไรน่ากลัวโผล่ขึ้นมาก็ได้อ่าถ้าพถ้ามีอะไรน่ากลัวรีบหาพุโทโธพุโทโธพุโทโธเลย ถ้าหาพุโทโธไม่เจอก็เริ่มตาเนาะหยี่นั่งไปก่อนแค้ไหนโรเคมีอะไรไหมไม่มีเจ้าค่ะไม่มีอะไรจะถามเนาะเจ้าค่ะน้อมกลับน้มันสการโอเคอ้าถึงคุณปูคุณปูเป้ตากลับนมัส ก, การเจ้าค่ะอาจารย์เอ่า่ายังไงมีอะไรไหม คงหนูก็นั่งไม่มีอะไรมากแค่ฟังธรรมแล้วก็เอาสิ่งที่หนูได้ฟังทุกวันตอนสองบ่ายสองโมงค่ะพระอาจารย์เอามาประเมินตนเองด้วยค่ะพระอาจารย์ประเด็นเรื่องบาปกับบุญนะคะพระอาจารย์จากการฟังเทศอะคะ่ะพระอาจารย์ค่ะหนูเคยลดความแล้วหนูเคยเหมือนความฝันหนูจําไม่ลืมเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์คือความฝันที่หนูไปเจอค่ะพระอาจารย์ คือเป็นคำถามที่แบบหนูไม่คิดว่าจะได้ฝันแบบนี้ด้วยค่ะพระอาจารย์ฝันแค่เรื่องเคยทําความดีอะไรมาบ้างค่ะพระอาจารย์หนูตกใจมากเลยหนูไปเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S <S หนูดันตอบไม่ได้นะคะจ้าพระอาจารย์เหมือนคนไม่มีสติค่ะกลัวจะจะตกนรกอย่างเดียวค่ะพระอาจารย์คือถามเรื่องเคยทําความดีอะไรมาค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยแบบหนูแอบคิดในใจด้วยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่ถามว่าทําอาชีพอะไรไม่ถามอาชีพค่ะถามแต่เรื่อง เคยทำความดีอะไรมาอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์หนูดันตอบไม่ได้ค่ะพระอาจารย์หนูกลัวจะตกนรกคะ่ะหนูก็เลยได้แค่บอกว่าหนูไม่รู้คะ่ะมันเด็กไรเดียงสามากเลยค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยจําเรื่องนี้จนมาเล่าให้คนอื่นฟังค่ ะ, คะพระอาจารย์ว่าเคยเจอมาตอนลดความ ค, ะคะ่ะพระอาจารย์หนูก็เลยพอหนูมีโอกาสหนูเป็นมีโอกาสได้ทํางานหนูก็ เก็บแต้มบุญอย่างเดียวเลยค่ะเรายิ่งมาฟังพระอาจารย์เกี่ยวกับบุญกับบาปนี่ก็เ ก, ก็บบุญอย่างเดียวเลยค่ะพระอาจารย์<ม>บัญชีบุญนะคะหนูเลยบอกว่ามีจริงค่ะพระอาจารย์เพราะมันเมืนโดนไต่สวนอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่หนูไม่มีสติ <c oughs> จะตอบอะคะอ่ะกจะูจะตกนรกอย่างเดียวพระอาจารย์อืยมาบาละมาถางเลยะมีบุญหรือเปล่าถ้ามีบุญยมบาลก็ไม่เอาจริงพันหนูกูหนูกูจะตกนรกเฮยถ้าเราตกบไม่ถูกเราจะเป็นรกหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ หนูก็เลยทําแบบเป็นคนไร e ้เดียงสาเพราะว่าหนูไม่มีสติด้วยนะคะช่วงที่ตอบอะคะ่ะพระอาจารย์หนูก็เลยว่าโอ้สำคัญของการปฏิบัติการมีสติอย่างเงี้ยด้วยะคะ่ะพระอาจารย์เดีไปเจออีจะได้กล้าตอบแล้วคะ่ะพระอาจารย์ว่าเคยทําบุญอะไรมาะคะ่ะพระอาจารย์เหมือนแบบว่าเป็นพยาบาลก็ไรไรค่าเลยคะ่ะเป็นอาชีพอะไรไม่สำคัญเท่ากับบาปกับบุญะคะ่ะพระอาจารย์พอไปเจอจริงๆเขาหนูเลยโอ้ตกใจเนะะีนะะ่ยค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยแบบ อู้ฟังทําแล้วหนูเอามาดูหนูได้แต่ของดีจากพระอาจารย์เลยค่ะแล้วก็อู้ใช่เลยตรงเป้ค่ะมันแบบสิ่งที่เราเจอตรงกับสิ่งที่พระอาจารย์เทศมาค่ะพระอาจารย์ซึ่งแบบอู้หนูได้ของจริงอะค่ะพระอาจารย์ว่าโอ้สิ่งนี้เกิดเคยเจอมาค่ะพระอาจารย์พยสายาสะสมบุญไปเรื่อยๆนะให้มีมากขึ้นเราเขาเขาจะอู้หนูบอกว่าบัญชีธนาคารไม่เท่ากับบัญชีบุญนะคะพระอาจารย์ก็เก็บแต้มบุญอย่างเดียวเลยค่ะพระอาจารย์เพรเพราะว่าเวลา จากโลกนี้ไปนี้บัญชีธนาคารไม่สองคันเท่ากับบัญชีทางใจเลยนะคะพระอาจารย์อค่ะหนู่ก็เลยว่าลุยเลยเลรอค่ะพระอาจารย์อาทูสเลยค่ะอาทูสไปที่คุณปรางวะอะไรต่อก่อนน้มาสการทำไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์อืมตัวอย่างอเคอ๋อตัวอย่างชอ ค, ค่ะเมื่อวันพระรหัสได้ขึ้นไปนั่งสมาธิที่พระบรมธาตุนะคะ เป็นเป็นครั้งแรกมันพลาดที่แล้วเลยใช่ค่ะอาจารย์เป็นครั้งแรกตอนแรกเข้าใจว่าจะมีพัดมเล็กที่เคยใช้อยู่ปรากฏว่าขึ้นไปเราไม่มีพัดลมเล็กค่ะอแต่ว่ามีพัดส่วนตัวไปแล้วก็มีน้ําน้ํากระบอกไปค่ะถ้าร้อนอก็พัดนิดหน่อยพัดลมมาทานที่ไหนอ่อชื่ออะไรนะคะตรงข้างหลังข้างหลังโบสถ์อุโบสถของของที่วัดะะอะค่ะเออเดีดีสีขาว ค่ะชั้นที่ชั้นสามเมื่อก่อนเมื่อก่อนตัมีพัดลมเล็กๆค่ะตอนนี้ไม่มีก็ก็เลยขึ้นขึ้นไปก็ร้อนค่ะพัดนั่งนั่งสงบสติอารมณ์นิดนึงแล้วก็ใช้พัดค่ะแล้วก็เริ่มนั่งสมาธิก็อยู่ได้โดยที่ปัสก า, ากพัดลมใดๆชั้นที่เป็นห้องพระท่านเใช่เจ้าค่ะสีทองนั่นเลยเจ้าค่ะอืมนั่งได้นั่ง<ด>ได้สามชั่วโมงเครื่งรวมๆกันนะคะ ถ้างยก็ออกมาเดินตรงกลมแต่มีช่วงหนึ่งที่ต้องเบรกมาเพราะว่ามีนะักท่องเที่ยวจีนนะคะใช้ท่อระฆังสื่อสารแล้วมันค่อนข้างก้องและเสียงดังก็ก็เลยต้องต้องลืมตาออกมาแล้วก็ก็นั่งนั่งรอให้เขาให้ให้ชมเสร็จแล้วค่อยลงค่ะก็ไม่มไม่ไม่เป็นปัญหาค่ะยังวางเบรกขาได้ปกติสามชั่วโมงครึ่งแล้วก็ไปนั่งที่นาคุติต่อก็วันนั้นก็น่าจะสักสี่ชั่วโมงกว่า อืมก็ดีนั่งบ่อยๆนั่งมากๆใจชะเย็นนะคะเดี๋ยวส่งการหนูก็ช่วยโรงแรมเหมือนเดิมค่ะน่าจะไปช่วยงานออปเปเรชันเขาแต่ว่าจะเก็บวันหยุดไปแล้วก็หาห า, หาวันวันพักบบนี้ค่ะไปไปปิดวิเวศเหมือนเดิมค่ะอาจารย์โอเคอ่าจั ง, งก์กับพี่คนอื่นอยแต้มไปเเล ย, เลยอ่าคุณจิ๊บ ที่วันนี้วันที่ว่างเลยค่ะเป็นวันสักการ์ดค่ะอาจารย์วันนี้ไม่มีประชุมค่ะยมจะมีประชุมอาทิตย์เวน้นอาทิตย์่ะคะออค่ะก็วันนี้ก็เลยแบบว่าเอก อ, ออกมาชา้าหนิดนึงมาที่ทํางานเพิ่งมาถึงนะคะ่ออะแล้วอาจารย์สบายดีนะคะออสบายดีจ้ะเดี๋ยวนครับแปบ๊บหน่ดีเพื่อนเรื่องงานเดินผ่าน มันดีก็แบบว่าเออมันมีก็เรื่องเหือนเหมือนที่ทุกคนมีนะคะบางทีมันก็มีเรื่องเข้ามากระทบใจยอมก็แบบเหมือนกับอ้าเราก็แก้อะไรไม่ได้เรารอปัญหามากกว่าดีกว่าเราค่อยแก้ทีเดียวแล้วค่อยคิดในเงนะะี้ยค่ะมันก็ถ้าเราคิดว่ายอมหยุดเย็นแบบอาจารย์บอกมันก็มันก็สงบได้นะคะอะไรจะเกิดก็เกิดเกิด <ๆ S 2> แล้วก็แก้ทีเดียวดีกว่าในเงี้ยคะ่ะแก้ได้แก่แก้ไม่ได้ก็ปล่ อ, อยวางไป ใช่ค่ะแก้ไม่ได้ก็คงต้องยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะ อ, อก็ปล่อยวางไปค่ะแต่ว่าก็พยายามให้มีเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้ยอมถอยซะทีเดียวบางอย่างก็พยายามหาข้ อ, ขอเขาเรียกว่าอะไรคะ่ะทางแก้ก่อนถ้ามันไปถึงทุกทางที่เราคิดได้แล้วก็อะไรจะเกิดก็เป็นผลของกรรมหรือเป็นผลของสิ่งที่เราได้ทําหรือว่าได้สู้มาอะไรก็มันมันก็ไม่ได้สู้อะไรหรอกค่ะมันก็คือสู้กับกิเลสของเราเนี่ยนะคะ อจะไปช่วยคนอื่นจะไปสร้างเมตาสร้างกรรมของคนอื่นนะค่ะค่ะมันก็กดดใช่ค่ะมันก็สู้กับกิเลสวันนั้นยมฟังไม่ไม่แน่ใจว่าคนเขาเชื่ออะไรนะคะเขาก็บอกว่าคนเราเอ่อมนุษย์เรามันมีจิตของคนนะคะมันติดความเครียดอะค่ะเขาก็เลยเรียกว่านิวรณ์ใช่ไหมคะพระอาจารย์คือเหมือนกับว่าไม่มีเรื่องให้เครียดก็ไปเอาอดีตมาเครียดอะไรแบบนี้อืมค่ะมันก็เลยกลายเป็น ใช่เฟิร์มโมนี้มันก็เลยกลายเป็นแบบว่าสิ่งที่แบบจิตไม่ได้พักเลยอะค่ะเดี๋ยวก็เครียดเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะโยมก็แ่ค่ะแล้วเมื่อคืนโยมก็ฝันว่าไม่ทราบว่าเหมือนพระอาจารย์เลยไทก็ไม่ทราบมาถามไอ้ฝันมีสติหรือยังมีสติยมก็บบว่าโยมอุยมีสติหรือยังฝัน มีสติหรื อ, อยังนะโอเคยังไม่มีอะพุโทโตต่อละกันฝ <laughs> ันเดนเะนี่ยมีนคนมาเตือนทอ้ามีใช่ค่ะอาจารย์อะไรที่เกิดในฝันเราต้องจะจําได้ดีกว่าเวลาที่เกิดเวลาที่ไม่ได้ฝันนะ่ะใช่ <laughs> ค่ะโยมนะคะเป็นคนโยมก็ไม่แน่ใจว่าโยมเป็คนมีสติหรือเปล่าเวลาฝันอะไรมักจะจําไม่ค่อยได้หรอกค่ะ อ, อาจารย์นอกจากว่าแบบอย่างเงี้ยค่ะอย่างแบบโอเคอย่างบางคําบางประจำได้แบบเป็นบางประโยคอย่างเงี้ยค่ะมีคนถามอ่ะ มีสติหรือยังแต่ถ้าถามว่าเรื่องที่ฝันทั้งหมดจำไม่จําไม่ได้จําำมันคํามันกินใจเรานะใช่ค่ะมันแบบมันเหมือนกัแม้แต่ในฝันก็กินใจเราอย่างเนี้ยค่ะค่ะมันก็เหมือนกับกอดีกวนยามันจดจําำเยอ้ๆทำด้วยเยอะมีสติหรือยังใช่ค่ะมีสติหรือยังชะตไว้เป็นไรเอามีสติหรือยัง ค่ะครับอาจาย์ก็ไม่มีอะไรค่ะก็พยายามพยายามสู้กับกิเลสไปด้วยด้วยคําพุทโธ้ด้วยคำสอนของพระอาจารย์กับพระพุทธเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะเนี่ยไ้มาตอนนี้มันไม่มีสติเนี่ย <c oughs> มันอาจจะเข้ามาเตือนโยมก็ได้เ <c oughs> ตือนมีสติหรือ ย, ยังจ้าเธอ ม, มีสตินึกอยากจะโอนย้อนยุ่งมา มันคำเขาบอกว่าสาธุไงคะพระอาจารย์หมายกระลับรู้ได้ว่าเออโยมคนนี้พูดดีฉันสาธุเลยพูดอก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ขอพระอาจาร์ทัดารแข็งแรงนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าศลินทอนอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าไม่อยู่ก็โอเคค่ะโอเคค่ะ ค่ะเดี๋ยวจลินทอคงะจะไปเล่าเรื่องปฏิบัติธรรมอะไรของเขาค่ะพระอาจารย์กับนวัตสการนะคะขอพระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงนะทีมงานแล้วทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะอฝากคุณค่ะคุณสาธกาทำยังไงอ่ามาฟังธรรมค่ะพระอาจารย์ปฏิบัติอ่าศีลสมาธิปัญญานะจ้ะค่ะอ่าอ่าคุณอ้อมตาอ้อม ยังไงนมัสการค่ะมากาบค่ะพระอาจารย์ไม่มีอะไรไม่มีอะไรค่ะมีแต่วันก่อนบอกแฟนว่าเราสองคนโชคดีมากที่ได้มารู้จักพระอาจารย์ค่ะ ช, ช่วงที่ก่อนช่วงที่โควิดมาใหม่ๆจนปัจจุบันคือสถานการณ์เปลี่ยนไปเราก็คือมันก็ไม่ได้มาตื่นตระหนกหรือว่าอะไรกับสถานการณ์นะคะอืม ยอมรับสภาพความจริงน ะ, อ, ะอันนี้จังไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอ น, อนี่ขึ้นมีลงไปตามเหตุตามปัจจัยพอที่เสร็จก็แก่เจ็บตายกันไปหมดนะใช่ไหมใช่ค่ะเงื่อนไขของร่างกายใช่ไหมคะอันนี้ข้อสอบหัวใจความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงท่านจะทําความจริงอันนี้ได้ มีสงครามหรือไม่มีสงครามมีโควิดหรือไม่มีโควิดเศรษฐกิจจะขึ้นจะลงโรงงานจะเปิดจะปิดไหมือนเดิมอยาเจ็บตายเห<ฮ>มือนเดิมไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นคถ้าเราสามารถทําข้อสอบของเราได้ถึงเราไม่หวั่นไหวกับความแก่ความเจ็บความตายนะเราก็สบายไม่มีอะไรมันจะเร็วร้กับความแก่ความเจ็บความตายใช่ไหมใช่ค่ะ พยายามทำข้อสอบไว้ได้เลยค่ะทีโชคดีมากค่ะที่ได้มาเจยว่าอาจารย์เออโชคดีแล้วเราทำต้องเอาไปใช้จากการเจอค่ะโชคดีแต่เองทําไม่ได้ก็ใช่ค่ ะ, ะต้องเอาไปใชนะ้เนี่ยทำให้เกิดประโยชน์ต้องปราบความกลัวความแก่ความเจ็บความตายนี้ให้ได้อ่าไม่ต้องกลัวมันไม่มีอะไรน่ากลัวนอกจากความกลัว นอกจากความกลัวเอ่ความกลัวเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ยังหรือไม่มีอะไรน่ากลัวความแก่ความเจ็บความตายไม่น่ากลัวค่ะโอเคนะขอบคุณค่ะปราบให้หมดนะความกลัวเนี่ยค่ะอย่าไปกลัวอะไรค่ะกลัวแล้วก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีค่ะอย่าไปกลัวมันมันจะทําะไรปล่อยมันทําไปถ้าเราจะกลายก็ปล่อยมันกลายไป ค่ะค่ะสาธุค่ะอาจารย์ผมไม่ไรต่ออาจารยไมดับมัตการค่ะอาจารย์นักรธดับมาตการอาจารย์นำคณมารายงานตัวค่ะยังอยู่ต่อยังอยู่สมศูนยนะปฏิกรสาบศูนยยังไม่จะขึ้นไปคนหายสามูนอยู่ที่ติดตีผ่านาปฏิกรรม จนจำไม่ได้ว่าทําอะไรบ้าง อ, าอ่เนยอดเห็นสองให้ดูเหมือนกันเลยใ <c oughs> จคนนั้นใจคนนี้ก็ดีเวลามันจะได้ผ่านไปเลร็วๆนะ <c oughs> ผ่านช้าก็ได้ <c oughs> <c oughs> มันก็เท่าเดิมเวลานัเร็วไม่ชา้าแต่ความรู้สึกว่าเวลาที่ไม่มีอะไรทํารู้สึกว่ามันชานาน้าแล้วลยเวลาการจะผ่านไปได้ชั่วโมงนี่แต่เวลามีท่าอะไรให้ทํำนี่ปั๊บเดียวหมดแล้ววันนึง จะเห็นภารกิจของท่าอาจารย์มากมายหลายก้อนแต่เหมือนเดิมก็ท่าเดิมกันเดือนเดือนนี้มีวันหยุดเยอะนะคะได้ได้คนได้ฟังธรรมกันเยอะเลยมีอาทิตย์หนึ่งเจ็ดวันติดต่ออะไรพวกเนี้ยเปิดตารางดูแล้วครับติดยาวมากเลยอืแล้วก็วันทีละวันถ้าเราอย่าไปคิดถึงวันทีละวันโอเคทีลวันพวกนี้ พรุนี้ก็วันพระอ่ะพรุงนี้ก็เอาเต็มตัวสละวันพระค่ะเดี๋ยววันเสาร์อ่ะเต็มตวันเสาร์เดียวันที่หกก็หยุดดิค่ะวันเจ็ยาวไปเลยยาวเลยแล้วก็เป็นบุญของบรรดาญาติโยมทั้งหลายค่ะมีโอกาสได้ทั้งทําบุญนะคะแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรม นีดีทุกคนก็มีความสุขเวลาเขาทําบุญไงเขายิ้มแย้มแจ่มใสใช่ใช่แค่คิดก็มีสุขละคนได้ทําไปยิ่งสุขใหญ่เลยใช่<ต>ได้พบอาจารย์ทุก่าที่ก็มีสุขละเจอง่วงก็แบบต้องรองไม่ให้ง่วงเมืองไทยเราวิเศษตรงเนี้ยมีการทําบุญกัน ค, คนทําบุญกันคนยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขเดี๋ยวขอรอถึง คนพูดหน้าเนี่ยชัดโอเคราไปเป็นอาทิตทิตย์ค่ะแต่เดี๋ยวนี้เพื่อจะน่ะทำบุญน่ะทําบุญเดี๋ยวนี้ก็ทํากับให้เด็กบ้างหัวใจเด็กอะไรเงี้ยนะคะทำมานานแล้วค่ะได้ทำวัดก็ทําบ้างมหาวิทาลัไปทําส่วนที่เป็นโรงเรียนโรงเรียนมาที่ไหนเดือนน้องควรจะไปที่นั้นที่ไหนมีพอเพียงแล้วก็ไม่ไม่ต้องไปค เห็นทุกคนเขายากลำบากเด็กอะไรเงี้ยนะคะก็ไปทำตรงนั้นก็เยอะอยู่รันเป็นของเราเงินไม่ใช่ไป็ของเราตายไปแล้วมัินไปไม่ได้มันไม่ได้เลยค่ะแต่เราไปไม่ได้ใช่ก็กอบโกอยู่ค่ะตอนนี้ไปเรื่อยๆโอเคค่ะอาจารย์เกมาอาจารย์ที่หน้า่ได้นะี่หน้าสลยอย่าอย่า คนข้างข้างนี้ถึงรู้สึกมีสัญญาเยอะขึ้นเรา <c oughs> ไม่ต้อง <Okay. S 1> ห่วงเรนเดินไปตามที่เซราเซรานะะใช่ตาม <c oughs> ตามผีตามปรจจัยโอเค <Okay. S 2> ไปที่คุณแนนต่ อ, อ, อ ก, ก, การน้ำแกะทำไว้ไม่เคยรับคำอาจร์รู้ไม่มีคำถามจ้ะ okay. คะโอเคมันได้เอ็กชิงไลมีอะไรมนะั้ย พรัศการพระอาจารย์ครับมีเข้ามารับฟังครับอาจารย์ครับก็ยังปฏิบัติบูชาอยู่ครับอาจารย์ครับยังมีเนี่ยมีเอเอสัจจิกก็ื่าครับทุกวันพระครับอาจารย์ครับยังม่สัจชึกอยู่นะครับผมเน่เร่งเร่งอยู่ครับอาจารย์การรักษาความเพลินกับน้ำทะเลรักษาความเค็มนะครับผมครับผมเออย่าโยนอย่างเชียวจามต้องเข้มข้นครับผม เป็นพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างครับผมครับผมเราเป็นสิทธาค้นเราต้องเป็นแบบสิทธ์มีครูของตาช่ไหมครับคุณต้องเป็นแบบสิทธิ์มีครูครูทำอย่างไรแล้วเราต้องทําแบบครูทําครูได้อะไรเราก็จะได้แบบครูได้นะครับผมครับผมโอเคครับนี้อมนําไปปฏิบัติกับพระอาจารย์ครับถึงครับผม ครับผมสาทุกครับอาจารย์คหมปนะ็นยงไงใช่คมอบันการครับอาจารย์อืมเป็นยังไงโอ้พอดีผมเตรียมตัวจะไปรับการผ่าตัดตาครับอาจารย์อืวันวันศุกร์นีครับอาจารย์ครับก็ตาผมเนี่ยกระจกตามันมันเป็นโรคแบบพันธุกกรรมครับพระอาจารย์าากระจกแต่ส่วนที่ว่า เวลาเราต้องเปลี่ยนนั่นต้องเปลี่ยนจากผู้บริจาคครับพระอาจารย์อ๋อต้องมีผู้บริจาคอาจารย์ตอนนี้มีแล้วเหรอตอนนี้ได้แล้วครับแต่ว่าตอนนี้กําลังเป็นตานี่มาจากเมืองนอกครับพระอาจารย์แต่ว่าโอกาสได้ผ่านนี่น่าจะเก้าสิบกเปอเซ็นแล้วครับเพียงแต่ว่าต้องลุ้นว่าวานันศุกร์เนี่ยเครื่องบินไม่ดีเลยครับพระอาจารย์ตับเครื่องบินไม่มีปัญหามาเป็นตาที่มาจากเมืองนอกครับพอาจารย์อ๋อยันนี้เขาต้องมีคำทำนายกันเท่ากั้น พระอาจารย์คือมันจะมีสองส่วนส่วนเ น, นื้อคือตาในประเทศอันนี้คือเราเหมือนเราก็ต้องไปไปรอคิวหรือว่าต้องไปแย่งคนอื่นนะครับอาจารย์แต่ตาที่มาอย่างเมืองนอกเนี่ยก็คือว่าเราให้เงินเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์<อ>ก็จะมีมาเข้าใจว่ามันเป็นค่าเดินทางค่าอะไรต่างๆครับอผมผมก็รอมาจะปีนึงแล้วครับพระอาจารย์อืเพิ่งจะได้แต่ก็ยังใจตุ้มๆ ต, ต่อมๆว่า เครื่องบินจะดีเลยไหมอะไรไหมนะครับก็ได้แต่ว่าขอให้เรามีโอกาสได้แล้วไม่มีปัญหาจะได้ปฏิบัติทําสร้างบุญบารมีอย่างที่ต่อครับจะได้มาช่วยคนต่อครับตอนนี้ตาด้านนี้มองไม่เห็นนะมันพระอาจารย์มันเหมือนว่าเป็นหมอกครับพระอาจารย์อกบเป็นหมอกครับมองไปก็อัดเพราะว่ามันเป็นโรคพันธุกรรมผมก็เพิ่งเพิ่งเจอครับพระอาจารย์ก็เป็นว่ากรรมของเราที่ต้องมาเจอครับพระอาจารย์อืมครับถ้าเปลี่ยนกระจกตาเสร็จก็จะดีขึ้นครับอาจารย์ อืมก็เลยเอาว่าทุกอย่างรับเลื่นเป็นไปตามที่ควรจะเป็นนะครับอาจารย์เลยมาขอพรพระอาจารย์ด้วยครับก็ตัดละวรับเลื่อนขอใหไฟเขียวผ่านตลอดทุกครั้ครับครับตอนนี้ก็ยังปฏิบัติทำเต็มที่ครับพระอาจารย์กับอาจารย์ที่ได้ได้รับพรครับอย่างใจเราก็ยังต้องเหมือนเดิมใจเราก็ต้องสมองครับอาจารย์ผมก็ พูดโทตลอดครับพระอาจารย์เรอแก่เจ็บตายของราการมันก็เป็นไปตามออกําให้ตามปัจจัยของมันครับอาจารย์ตอนนี้ก็ไม่ได้กลัวเลยครับอาจารย์ครับยังกลับได้ก็ดีได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีครับพระอาจารย์บอกไฟเขียวแล้วครับครับครับผมตั้งใจว่าก็ตั้งจิติฐานว่าเพราะว่าเราตาเรายังมองเห็นดีอ่ะผมก็ยังช่วยไดได้ครับอาจารย์ได้นะทำคุณทำประโยชน์ให้กับโลกต่อไปได้นะครับอาจารย์ครับ คนที่ต้องเพื่อนหมอก็บีเยอะนะจะได้ช่วยคนไข้ได้ครับอาจารย์อืมนี่ครับอาจารย์ครับเพื่อนหมอชํานาญทางด้านไหนผมทําเรื่องคนไข้ผมทําฝังเข็มครับอาจารย์ <Okay. S 2> คนไข้ก็เวลาเป็นอามาาัมภาตเป็นโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคปวดเนี่ยแะครับอ uh huh. ที่คลินิกจริงๆผมรักษาทุกโรคอ่ะนะครับแต่ว่าที่ชํานาญก็คือใช้ใช้ใช ใช้การสองเข็มครับอาจารย์ทอเกมนี้ไปเรียนต่อจากที่ไหนเลยส่วนใหญ่ผมเรียนด้วยอ อ, อาจารย์ที่เป็นคนจีนสอนให้ความรู้่ครับแล้วเราก็มาทําเองครับอาจารย์พอ ม, มาทำเนี่ยมันเป็นเรื่องของไม่เป็นเรื่องของทักษะประสบการณ์จริงครับอาจารย์ได้ผลดีไหมเวลาทำานี่ดีมากครับอาจารย์คนเนี่ยตีเรามาช่วยกับแพทย์แผนปัจจุบันนะครับช่วยทางด้านประสาทเนี่ยใช่คําบจริงจะช่วยให้ระบบเลือดไหลเวียนดีครับอาจารย์ แล้วก็ทําให้ระบบประสาทระบบสมองดีขึ้นครับอืถ้าเราสามารถเอามาร่วมกับแพทย่ยาง์ออแผนปัจจุบันนะครับอาจารย์การยาต่างๆเราก็ให้อยู่แล้วพอใช้เรื่องนี้เข้ามาเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายเราฟื้นดีขึ้นมากครับอาจารย์อืมครับอันนี้แต่กับทุกคนท ค, คนที่เป็นนอามาเพิ่กมกามภาพนี้ดีครับอาจารย์คนที่แบบเดินไม่ได้เลยไม่ได้แล้วเพิ่งเป็นนะครับเพราฝังไปเนี่ยถ้าเราเราทําได้นานเนี่ย ระบบประสมองระบบประสาทจะฟื้นฟูดีครับหรืออย่างโรคที่มีอาการปวดครับอาจารย์ฝังหลปวดได้แล้วก็ลดการใช้ยาลงได้ครับอาจารย์ครับดีครับแต่ผมส่วนใหญ่ผมอย่างเันนี้ผมรักษาคนไข้ไปผมก็สอนเรื่องพุทโทนะครับอาจารย์ได้บอกว่าให้กําหนดลมหายใจนะพุทโธง่ายๆเลยให้ธรรมะสวดด้วยนะให้ยาธรรมะด้วยครับผมจะพยายามพูดไปด้วยแล้วก็หรืออย่าง ให้สวดมนต์นะครับอาจารย์เขาบอกสวดอินทริย์โสไปถ้ายังยังกําใจสงบไม่ได้นะครับให้สวดไปพอไข้ต้องกลับอาจารย์นะครับคนไทยที่ทํากับไม่ทําเนี่ยต่างกันเลยครับอาจารย์อืการหายของโรคเนี่ยต่างกันเลยครับใช่ครับเรื่องจริงๆเลยครับผมก็แบบสมาธิตอนที่เรามีสมาธิเนี่ยมันมีสารในร่างกายอินโดฟิลอะไรต่างๆเนี่ย ท, ท่นานดีท่าดีทัานทุกงลังมา รัวลาเครียดสารไม่ดีจะทุกข์ทรมามากใช่ครับอาจารย์แล้วพอคนไข้กลุ่มเนี่ยที่ทําไปด้วยอาการฟรื้นตัวของโรคภัไข้เจ็บต่างๆหรือความทุกข์ทรมานะจะลดลงครับอืครับใช่ทุกข ม, มานสัญนใหญ่มันอยู่ที่ใจเราเนี่ยนะใช่ครับพระอาจารย์พอวันนี้มีน้องคนนึงเป็นออทิสติกนะครับพระอาจารย์คุณญาติพี่น้องเขาเนี่ยกว่าแบบนั้นมันก็เด็กไม่ดีเรื่องไม่ดีแม่อะไรนะครับปรากฏว่าพระอาจารย์นั่งคุยเขานะครับบอกให้ทำอะไรเขาทําได้หมดเลย พ่อแม่เขาเนี่ยให้ทําอะไรไม่ทําแล้วผมสวดมนต์สวดได้ไหมเขา ส, สวดอิติปิโสก็สวดตามสวดตามนะครับก็สวดได้ครับพระอาจารย์อแล้วก็พอบอกเขาพุทโธพุทโธเขาก็ออนั่งทาได้นะครับพระอาจารย์อืมจริงๆผมเชื่อว่าเขาคุณพ่อคุณแม่เขาพามาฝังเข็มแต่ผมเชื่อว่าไม่ได้ช่วยขนาดนั้นนะครับพระอาจารย์แต่ประกฏว่าเด็กเนี่ยพอสวดมนต์พอพุทโธพุทโธได้เป็นเด็กออทิสติกนะครับพระอาจารย์แต่ก็ทได้แล้วพอทําได้เสร็จ อีกเราบอกให้ทําเลยก็ทําทได้หมดเลยซึ่งคนที่เขาพามาก็กตกใจแต่ผมเชื่อว่าที่หายเนี่ยหายเพราะไม่ได้หายเพราะผมฝังเข็มนะครับหมายถึงเฉพาะสติตครับเด็กเขาผมก็บอกว่าคนว่องเนี่ยก็เป็นอัจฉริยะนะหมายถึงว่าเขาจะต้องมีอะไรที่เดียวคนอื่นเขาพราแต่เรื่องอื่นเขาด้อยกว่าถ้าเราเราส่วสนิทด้วยเขาคือสติถ้า<อ>มีสติเนี่ยตัวสําพันแล้วก็ให้กําลังใจเขาด้วยครับ อัติเขาพอเขาไอ้เขามีสมาเขามีเด็กพวกนี้จะไม่มีสมาธินะครับใช่ครับควบอารมณ์ไม่ได้ครับพระอาจารย์พอเขาอยู่กับเราเนี่ยเขาไม่โกรธไม่โมโหไม่อะไรนะครับพอพุทโธวุออกไปสักห้านาทีเขาก็ทําได้ครับอาจารย์อืก็นั่งของเขาไปนั่งอยู่หน้าพระเนี่ยครับคือที่คิดพระอาจารย์เชื่อไหมครับว่าเด็กดีขึ้นเยอะเลยครับอแล้วผมจะหาอะไรก็ได้ครับแล้วผมบอกว่าให้เขาบอกว่าทําไมเ้าสวดมนต์เป็นเขาบอกว่า ภรรยาคนที่พามาเนี่ยเป็นคนเป็นคนบอกพาไปวัดผมว่ากลับไปย่าเนาะพาไปวัดเรื่อยๆแล้วก็สวดมนต์หรือว่าก็้นไปสวดมนต์กับคุณย่าก็ได้เขาก็ารับปากพระอาจารย์อผมไปดูนะมาเขาหน้าถ้าไปทำตามที่หมอบอกนะฮุบขึ้นอันนี้อันนี้คือที่เห็นชัดเจนเลยนะครับาอาจารย์แตกต่างมากเลยครับแบบเป็นเรื่องที่ดีจริง แล้วสดีกายก็จะดีตามใช่ครับแล้วเวลาผมผมรักษาผลไข้ผมจะบอกให้สวดมนต์นะครับสวดมนต์ mm hmm. โต อ, อันนี้ผมผมยืนยันเลยว่าแตกต่างกันจริงๆครับความเศร้าความทุกข์ไม่สามกันโลกที่แบบรักษาไม่หายก็โอ้ความทุกความทุกข์มันบรรเทาไปเยอะครับอาจารย์อื mm hmm. ผมก็ใจว่าเป็นเรื่องของปวดกับไม่ปวดใช่ไหมครับพอิต mm hmm. ใจสวดมนต์มีสติมีสมาธิก็ดีขึ้นนะครับ mm hmm. ความปวดร่นลงแน่นอนครับความทุกข์ร่นลงแน่นอนอีกว่า อนะครับแต่สังขารเนี่ยก็เท่ากันนะครับความเสื่อมความชลาความอะไรก็จะพอๆกันแต่ความครับอาจาพระเจ้าพระหลานนั่นก็เสื่อมเหมือนกันครับในความทุกข์ความทุกข์ต่างกันครับอาจารย์ใจไม่ทุกข์ครับเขาก็ยิ้มได้เลยได้ผมว่าเออดีขึ้นดีขึ้นคือดีขึ้นกับไม่ดีขึ้นเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่ใจเลยนะครับอาจารย์ออืมันคือความเวลารู้สึกไม่สบายแล้วบอกว่าดีขึ้นเนี่ยดีขึ้นคือความพึงพอใจครับอาจารย์ออื มันมันคนละอย่างกันคนไขรู้สึกว่าดีขึ้นสบายเบาลงทั้งทใจขึ้นสบายใจครับอาจารย์อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมเห็นมาในชีวิตแล้วผมก็ศรัทธามากๆครับอือีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องกฎแห่งกรรมครับอาจารย์ที่เห็นนะ่ะกฎแห่งกรรม น, นี้เราไปแก้ไม่ได้นะไม่ได้อาจารย์อาจารย์เชื่อไหมครับเวลาคนไข้เป็นอวพาศมาเป็นลยมานะครับแล้วดุ่งทุกข์ขรมาเนี่ย พอคุยกับไปวันนี้ผมก็สอนลูกน้องนะครับผมก็บอกลูกน้องว่าพอคุยกับไปเนี่ยบางทีเป็นข้าราชการยันผู้ใหญ่นะครับอาจารย์แล้วก็ทุจริตโกงกินทําไม่ดีพอมันเห็นในปัจจุบันจริงๆครับอาจารย์นะเนี้ยเห็นกับตาอคือพอหลังจากหลังก็ท้รีวิวประวัติสืบกลับไปเออคนเนี้ยเป็นคนใหญ่คนโตนะครับแต่พอตอนที่เขาไม่สบายเขามาเจอผมเนี่ยอายุเย อ, ยอละละนี่ผมเจอแบบเนี้ยเยอะมากเลยครับอาจารย์ ผมยังมองว่าอะไรที่ไม่ดีเนี่ยเป็นการจัการอย่าไปทําอย่าไปทุจริตโกงเขาอย่าไปทําไม่ดีผมเชื่อผมเห็นมาว่าผมเห็นมาเยอะเลยที่ว่าเป็นอย่างนี้จริงๆครับพระอาจารย์อืมวันนี้ยังเล่าอีกฝังนะว่าคนพวกนเนี้ยปรากฏว่าลูกหลานพามานะครับอาจารย์อืมลูกหลานใก่ลูกนั่งนั่งอยู่ในรถดีถ่ายยกถาจดกระดีกดไปแต่พ่อเข้ามาเนี่ยให้คนรับใช้พาเข้ามาไก่ครอบครัวหนึ่งเนี่ยเอ่อดูแล้ว ทำไมเขารักกันสามีภรรยาอะไรต่างๆปรากฏว่าเขาก็เป็นคนเข้าวัดทําบุญใจบุญสูงทานมันก็มีความอบอุ่นอีกแบบหนึง่งความเมตตาต่อกันอภอาจารย์อันนี้ก็คือเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่บอกว่าเรื่องของความไม่เที่ยงเรื่องของความทุกข์จริงๆครับอาจารย์อืมอันนี้เป็นเรื่องที่ผมยืนยันเลยเพราะว่ามันเห็นเห็นเวลาเราทําไม่ดีเนี่ยมันจะเห็นกันในปัจจุบันชาติเนี่แหละครับแต่ที่แน่ๆที่เห็นก็คือความ ความทุกข์ใจครับว่าจ่าคนที่ทาไม่ดีเนี่ยใจมันทุกข์ตั้งแต่นั้นแล้วพระพุทธเจ้าทุกสาวิษฐ์ทำบาปไม่ทาดันนิความดีประมวลครับสองอย่างนี้สําคัญะที่ทําได้กันทุกคนครับส่วนอย่าทําครับต้องไม่ทําำบุญก็ทําตามกําลังไปครับได้ได้รับอีกครับว่าจย์แล้วก็สิ่งที่ได้มาเพิ่มก็คือว่า การปฏิบัติธรรมเรื่องสติกับสมาธิครับอาจารย์อืมผมก็ต้องพยายามยิ่งยิ่งขึ้นไปครับอาจารย์อืยิ่าขึ้นพยายามขึ้นต้องอย่าไปเอออย่าไปยอมแพ้มั น, นอันนี้<ะ>เป็นการสั่พ่อใจให้สะอาดขึ้นใช่ครับสมาธิครับผมก็ผมก็ตั้งจิตติฐาและได้สัจจะพระอาจารย์ว่าจะตั้งใจปฏิบัติยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับแต่เดี๋ยว เ, เดี๋ยวสงสัปดาห์นี้ขออนุญาตไปผ่าตัดแล้วพักฟื้น ขอให้หายเครียดหายไข้ให้ในตาดีกลับมาเนาะสาธอาจารย์ครับกลับนวัตสกรนวัตการพระอาจารย์ขอไว้จาท่แข่งนะครับสาธุภาพกลาบครับอาจารย์ครับอืออทีคนเอคุณเปนยัง <AI. S 2> วันนี้ไม่สบายมากค่ะเป็นอะไรนะ เป็นไข้หวัดเพราะว่าอากาศมันเย็นลงค่ะเพาะจาัดมันเย็นลงมากมนานกันแล้วอ่นขันแไม่ใช่สเปรย์ค่ะไม่ใช่เลยใช่แต่ว่ามันมันติดลบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะแล้วก็เลยแบบรู้สึกปวดหัวจังแล้วไม่สบายพอดีเมื่อเช้ายมก็ ต้องขอโทษน้องหลานด้วยว่ายมจำเวลาผิดเพราะเวลามันเปลี่ยนในที่นี้ยมก็มามากดดข้าสูมมากดตั้งแหนึ่งชั่วโมงก่อนนี้แล้วยมเอ๊ะทำไมวันนี้พระอาจารย์ไม่มาเนี่ยยมเพราะว่าสองวันก่อนยมจะมานั่งสมาธิและที่นี้ยมหาเฟ e b o ๊ k และยมหาพระอาจารย์ไม่เจอยมก็เลยไปถามน้องเขาและน้องเขาบอกเฟซเฟซมีปัญหา โยมก็ไม่มีอะไรค่ะปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ยังแบบเนี่ยเพิ่งจะมีวันเนี้ยเมื่อคืนเนี้ยโยมก็ไม่สบายนะเดี๋ยวมันก็กิญญาได้ต้องหายเพราะว่าโยมจะหายเป็นไปได้นนก็หายได้บางโลกจริงค่ะอันนี้อันนี้โยมเชื่อเพราะว่าโยมก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโยมฟังพระอาจารย์พระอาจารย์ก็บอกว่าให้อพิจารณาโครงกระดูก จริงๆแล้วโยมก็คิดไม่ออกมาตั้งหลายเดือนพอนนี้อยู่ๆโ ย, ยมก็นึกขึ้นมาได้โ ย, ยมก็มองนั่งสมาธิโยมก็มองตัวเองเป็นโครงกระดูกได้ค่ะโยมก็ไม่ได้รู้สึกใจมันสบายเฉยๆนิ่งๆแบบนี้นค่ะต่อไปก็ดูทุกคนเลยเห็นใครกำมองโครงกระดูกเขาขึ้นมาอันนี้จริงค่ะจริงค่ะพระอาจารย์ค่ะทุก ค, คมีโครงกระดูกแต่มองไม่เห็นกันจริงค่ะ เพราะว่าพอโยมคิดถึงคำที่พระท่ า, านอาจารย์สอนว่าทําให้เรารู้สึกระวางได้เลยเพราะท่านอาจารย์บอกว่าเรามีขาคู่เดียวจริงๆโยมก็อยากจะซื้อช็อปปิ้งรองเท้านะแต่พอยมมาดูตู้รองเท้าโยมบอกเออจริงเว้ยโยมเราก็มีขาแค่ ค, ค, ค, ค, ค, คู่เดียวนะเนอะแล้วก็รองเท้าเราก็เต็มบ้านโนะยมก็เลยบอกเออจริงอันนี้เรื่องจริงเลยบอเชือไปทําไม ความยี่ความโลภความอยากจริงค่ะยังไม่ยอมหยุดได้หลายอย่างเลยค่ะหยุดหยุดได้หยุดเยอะมากถ้ามันเยอะก็ เ, กกเอาไปจากคนแจกคนจนบ้างก็ได้อืโยมมาเอาเครื่องไฟฟ้าออกมาหมดแล้วโยมกล่าวว่าโยมจะเอาไปแจกเขาเพราะว่ามันอยู่มันก็รกรุงรังหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อ่ะค่ะพระอาจารย์คะโยมมามีเรื่องจะเล่าให้ฟังโยมไม่รู้โยมโดนผีหลอกหรือว่า โยมกจะจิต บ, บูงแต่งไปเองโยมอ๋อจิตบูงแต่งแต่ไม่มีพีนะ พ, พจริงไม่หรอกไม่หรอกไม่จริงไงคือมันกลางนะพระาอาจารย์แล้วโยมก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพอยมฟังพระอาจารย์เสร็จแล้วรอนลุกขึ้นโยมเปิดประตูโยมไปซดชื่อของโยมเปิดประตูกลางวันแแสงนี้แหล ะ, โ ย, ลยะโยมเดินเข้าบ้านแล้วทีนี้โยมเห็นคนตรงข้ามถนนโยมอะ่ะมันมันเป็นเหมือนกับ ตามมีเก่าโยมที่เสียชีวิตไปเมื่อเกือบจะสองปีแล้วและเหมือนเลยทุกอย่างเหมือนเลยทีนี้โยมก็มองมองแบบมองสองหนทีนี้โยมก็ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังโยมจะจะโกนชื่อออกไปเขาเหมือนกับเ้ามองหาอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะแล้วเขาก็มาหยุดตรงหน้าบ้านโยมแล้วโยมก็เห็นรูปร่างอย่างนั้นจริงๆอ่ะพระอาจารย์คือจิตโยมปุงแต่งไปหรอหรือว่าไงคะเรเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นไปไม่น่าสนใจ มันเป็นมองไม่เที่ยงมันผ่านไปแล้วก็จบให้อเอาบ้ามาคิดให้เสียเวลาเ <Okay. S 1> นี่ยมันผ่านไปต้องนานแล้วยังมาคิดอยู่นะคิดไปทําไมมันหายไปแล้วจะเป็นแผลเป็นผีหรือเป็นอะไรก็ตามมันก็หายไปแล้ว mm hmm. อย่าไปสนใจมันเป็นอดีตไปแล้ว mm hmm. อยู่ในปัจจุบันต้องปฏิบัติต้อยู่ในปัจจุบันปัจจุบันก็ไม่เที่ยง เกิปุ๊บก็ดับปั๊บไปเลยมาปุ๊บก็หายไปเลยพูดปั๊บก็หายไปเลยอนะ่ถ้ามีสติแล้วจะรู้ว่าทุกอย่างนี้มันมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลา <Okay. S 1> ใจเราไม่ต้องไปยึดไปติดกับมันนะมันจะดีอย่าชื่อเป็นของจริงของบองช่างหัวมันเนไม่ไ ม, ไม่ไม่สำคัญอะไรทั้งที่ใจเราไม่ไปวุ่นวายไปกับมันนะนะ <Okay. S 1> อย่าไปวุ่นวายกับอะไรเขาใจไหมเข้าใจค่ะ เพราะว่าโ <Okay. S 2> ยมก็มีไม่ค่อยค่อยฝันอะไรเลยตั้งแต่โ <Okay. S 2> ยมปฏิบัติธรรมโนะยมแค่ฝันอยู่เรื่องเดียวคือเพือ่อฝันอะไรก็ตามฝันแล้วมันก็ผ่านไปมันก็หมดไป <Okay. S 1> เห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นไปได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินไปก็พอ่อแล้ว hmm. ใจเราจะได้เบาจะได้สบายไม่ต้องมาแบกหามเรื่องราวต่างๆไว้ในใจเราอโอเคอันนี้ถูกไ mm hmm. ว้เป่า ไม่แล้วยอแล้วหวยไทยเนี่ยยอมไม่ซื้อยอมเป็นคนไม่้อบอเลยว่หวยไทยไม่ซื้อแต่หวยฝรั่งยังซื้ออยู่สิโอ้ใช่ค่ะก็ยอมสัญญากับท่านอาจารย์แล้วว่ายมไม่เอาแล้วหวยไทยเนี่ยไม่เอานะ้วคะแบบยมใมัต้องมันมันต้องไม่เอาทั้งหมดสิมันมีมีเรื่องด้วยไงหวยไทยหวยฝรั่ง ก okay. ็ว่าใช่ไหมก็จริงโอเคก็จะวังไงอย่าอยังเสีย่ยงไม่ดาตัวการทางหวยก็แล้วกันฮนะไม่ไม่ไม่ค่ะเพราะว่าโยมมีสติในการเล่นเหมือนกับเออเล่นเล่ น, เ ล, นเล่นที่เมื่อก่อนเนี้ยแต่พอเล่นเล่นลนันคือมันเยอะเอาเงินไปทาบุญดีกว่าโยมก็ฟังพระอาจารย์โยมก็บอกว่าเออจริงว่าเอาเงินไปทาบุญดีกว่าโยมก็เลยไมเเ่เล่นเล่นเลย พอเราไม่เล่นแล้วเราดูซิว่าเงินที่เราจะซื้อหวยเรามาหยอดกระปุกแล้วเราก็ดูเอ้ยมันก็เยอะอยู่นี้เออโยมก็เลยอ๋อเข้าใจแล้วทำไมธรรมะถึงได้ดีโยมเข้าใจเลยค่ะเอา่าดีมากโอเคขอบ <S 2> <S 2> พระคุณท่านพระอาจารย์ค่ะถวายกับพระอาจารย์ค่ะโยมไปทําบุญนะโยมไปทอด โยมขอพลังพระอาจารย์ขอให้โยมอยู่ในศีลในธรรมขอให้โยมได้ดวงธรรมค่ะอัยวนโสครัาลังสธุเจ้าค่ะขอให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงเจ้าค่ะอ yeah. สาธุคุณตายชาจารย์นคนตายทำงานอะนี่ต้องกับนมัมนส ก, การกาพระอาจารย์เรีนทำงานอยู่อ่ะ ก็ทํากลงวันกลางคืนก็พักแหละค่ะพระอาจารย์แต่ว่าช่วงสองสามอาทิตย์นี้ก็ทําทั้งวันอาทิตย์ด้วยมีช่างเข้ามาทํางานยมก็เลยไม่ได้ไปวัดก็ทํางานที่ร้านค่ะอืมเอส่วนยมเองก็ได้แต่ทานศีลสมาธิยังไม่มีค่ะพระอาจารย์อ่าพอมันนอนก่อนนะแต่ก็ไม่ค่อยสบายด้วยค่ะไนก็ ไม่มีอะไรเข้ามาะกาศพระอาจารย์ก่อนพระมาณไม่ได้เข้าปรกาบหลายอาทิตย์แล้ววัดก็ไม่ได้ไปค่ะพระอาจารย์ก็เอาวัดอยู่ที่บ้านนะคะทำวัดนะทำบ้านไะด้เป็นวัดกันแล้วกันหดแรงคะ่ะสมาธิหรือว่านั่งสมาธิไม่ได้เลยงานเยอะมากเลยคะ่ะพระอาจารย์ <Okay. S 1> ไม่สบายยังต้องแบบต้องปันอาทิตย์นี้คุมช่างหรือว่าทํางานในร้าน เลิกเลิกมืดกว่าตอนเปิดร้านอีกพระอาจารย์ทุ่มหนึงง่งอ่ะทุ่ ม, มทุกับอิตย์เลยไม่รู้ว่าอาทิตย์นี้จะมีช่างเข้ามาอีกหรือเปล่าเพราะว่างานก็ยังไม่เสร็จแต่ก็ขอเขาว่าค่ะขอเขาว่าให้มาทํามันธรรมดาได้ไม่ใหญ่ไปวัดเราเออนั่นแหลคะค่ะพ่อจย์แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ทิ้งคานไม่ได้ทิ้งศีลเพียงแต่ว่าสมาธิไม่ค่อยได้ทําช่วงนี้คะ่ะ อด้ทาหน้าที่เราทาได้ไปก่อนแล้วกันเนาค่ะแต่ก็ไม่ได้เหลวไหลไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนคะ่ะพระอาจารย์ีค่ะโอเคเอาคจร์นเขนไปใ้กล้ลเร็วนะเจ้าค่ะครับขอบพระคุณพระอาจารย์โอเคคุณมอสุตัสเนรุกไม่มีคำถามเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์โอเคให้ไปไดีคุณสลินทอนตอ เล่นตอนทำงานไปด้วยนะฟังไปด้วยนะพระอาจารย์นวสการกับพระอาจารย์เจ้าค่ะหนูก็ช่วงสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาหนูก็ได้รับงานทางโลกเพิ่มเติมมันก็เลยยุ่งมากๆเลยะค่ะวันๆก็ทำงานถึงดึกดๆดินๆทุกวันเลยลแล้วก็คนใจ ด, ดีใจที่มีงานทำ แต่หนูถือคําที่พา่อจยา์เคยสอนหนูนะคะเช้าชามเย็นชามชอบมากๆทําให้มันเสร็จแล้วก็แล้วก็จะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นไปปฏิบัติธรรมอย่างเนี้ยค่ะ อ, ะ อ, ะอแต่ตอนนี้เหมือนมันยังไม่ได้เพราะว่ามั น, นมันยังใม่กับคอนเทนต์เตอนเี้ยงชีพเราต้องมีรายได้ไมาทํำ <c oughs> ไปอ่าช่วงนี้ก็เลยวุ่นวายกับทางโลกนิดนึงก็อย่างที่เมื่อกี้จิ๊บพูดนะคะเดี๋ยวพรุนี้ ไม่พรุ่งนี้ก็วันศุกร์อะค่ ะ, คะจะไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมของที่นี่อะคะ่ะอยู่ไกลไหมจากบ้านอะไรนะคะพระอาจารย์วัดอยู่ไกลาจากบ้านท่าน อ, อ๋ออันนี้วัด น, นี้ไม่ไกลค่ะประมาณสี่สิบห้าห้าสิบนาทีไม่เกินหนึ่งชั่วโมงค่ะพระอาจารย์อยู่เองเมืองไหนอยู่ยังอยู่ที่แมริแลนด์อยู่ค่ะแต่ว่าเป็นชาญเมืองแมริแลนด์ที่ติดฝั่งวอสกีเ น, นียคะ่ะ อ, อ๋อแล้วก็ อ, อ๋อ ท่านจำหลวงพ่อจากฟลอริดาท่านจะมาเปิดคอสปฏิบัติธรรมทุกปีสามวันนะคะแล้วหนูก็ไปร่วมด้วยอะคะ่ะแต่ว่าหนูอาจจะไปพรุ่งนี้กลางคืนหรือว่าไปวันศุกร์แต่เช้าอย่างเงี้ยค<อ>่ะนอแลไปท้งต้องไปทั้งคืนด้วยสิไปค้างคืนค่ะอาจารย์ ต, นนต้องมีที่พักให้พักไวยค่ะที่วัดก็จะมีสร้างโบสถ์ขึ้นมาใหม่อะคะ่ะ แล้วก็ชั้นบนของโบสถ์เขาก็จะทําเหมือนเป็นสองฝั่งฝั่งของผู้หญิงกับฝั่งของผู้ชายแต่เป็นห้องเปล่าๆไม่มีมค่ะสีก็ไม่ได้ทาเป็นห้องเหมือนห้องที่เขาเอาไม้อักมาวางวางๆงวงแล้วก็อืค่ะแล้วก็เขาก็ให้ญาติโยมมาพักใครอยากจะมพักก็มาพักอที่นอนเปเอาค่ะก็จะมีเป็นโฟมเหมือนเป็นโฟ ม, มที่หมนุนหมุนมาให้คนละผืน แล้วเราจะเอาผ้าเป็นแบกแพกใช่ค่ะอาจารย์แล้วก็เราจะเอาผ้าห่มอะไรก็เอาไปเองอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วท่านก็จะเริ่มตั้งแต่น่าจะตั้งกตีห้าแล้วก็จนกระทั่งไปถึงไปถึงเย็นหลังสวดมนต์เย็นแล้วก็อาจจะมีปฏิบัติอีกรอบหนึ่งตอนกลังคืนแล้วก็พักตั้งสามทุ่มอย่างเงี้ยค่ะหนูก็อยากที่กลับเป็นพระอาจารย์ว่าเหมือนกับช่วงนี้มันถังโลกมันวุ่นวาย ต้องไปเว่้างใช่ต้องเช้เวลาไปไปเว่งบ้างค่ะต้องไปเอามันออกบ้างไม่งั้นมันเหนื่อยอะค่ะอาจารย์ดีค่ะค่ะอาจารย์โอเคมีอะไรไหมไม่มีค่ะอาจารย์ก็จะตั้งใจปฏิบัติเต็มที่เป็นอบูชาพระพุทธเจ้าบูชาอาจารย์วันธรรมดาหาสตาวันโดยท้าสตินะค่ะหนูก็รอวันไหนที่หนูจะเกษียณอยู่นีดนึงค่ะ รออยู่ค่ะพระอาจารย์จะปฏิบัติให้เต็มที่ค่ะพระอาจารย์โอเคสาธุขอบคุณพระคุณพระอาจารย์ที่สั่งสอนนะคะของพระชาติขาขการแรงค่ะค่ะคุณยินดีอย่างไรอารุยาปัลมาลาภาไปแล้วค่ะไปตอนเช้าค่ะแล้วบอบอลซองเต้เหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์บอกเขแล้วค่ะ wealth hell hell is wealth ค่ะอ พยายามดีนะวันนี้ขยนันทำงานก็ตามหน้าที่อะค่ะท่านอาจารย์ไม่เป็นไหนลเลยนี่เห็นไม่ได้ทำ ง, งานทำ ง, งานนอกจากมีวันหยุดยาวยาก็ค่อยพักผ่อนค่ะก็สามวันเสาร์ที่จะไม่ไปไหนเสาร์ที่ก็อยู่บ้านอยู่บ้านไงค่ะมีมีเมื่อวันเสาร์ที่แล้วอะค่ะไปไอนี่มาไปไปดูเขาผลิตไอ้เอ่อเมเปิลซีรัพอะค่ะ ถ้านาจารยที่ไล่เขาเนี่ยไล่ทางห่างจากที่บ้านไปประมาณยี่สิบนาทีอะค่ะถ้านอาจารย์กไปดูมันก็เป็นอะไรที่ประสบการณ์นะคะท่านอาจารพอไป็นค่ะไปไปทัศนศึกษาเขาเนียกฟิลทริปฟิลทริปดีกว่าไปช้อปปิ้งดีกว่าไปดูหนังวังเพล่นะ ค่ะไม่ได้ไม่ไม่ไม่เคยไปไปดูหนังฟังเพลงไม่มีค่ะที่นี่ไม่ไม่ไม่ไปไม่ไปช้อปปิ้งไปเดินเที่ยวตามศูนย์การค้าไม่มีค่ะก็เวลาถ้าเกิดต้องการอะไรเงี้ยค่ะก็ไปอถ้าเกิดซื้อของจําเป็นแต่ไม่ได้ไปไปแบบไปไปชอบหาของแปลกๆอะไรไม่มีค่ะ ก็มันมีครบแล้วก็ไม่รู้จะไปซื้อไปทํำอะไรอ่ะคะ่ะถ้าอาจารย์นอกจากว่าว่าเวลามันขาดจริงๆอะไรเงี้ยค่ะบางคนต้องซื้อเรื่อยถึงยัมีความสุขเลยอ๋อไม่ละ ไ, ไม่อะคะ่ะถ้าอาจารย์เราไม่อหิวหนะเราไม่หิวของพวกนี้ทาไม่ค่ะก็ไม่ถ้าเกิดขาดเหลือก็ไปเอาหัวอะไรเงี้ยแต่อชอบตอนนี้ชอบค่ะยอมรับคะ่ะถ้าอาจารย์เมือม่อเมือ่อเมื่อ เมื่อสองาทิตย์ที่แล้วก็ชอบชอบคือหนูไปตุนข้าวหนูกลัวหนู ก, ก, กลัวไม่มีไม่มีไม่มีข้าวทีแรกไม่เคยไม่เคยตุนเนี่ยค่ะไปตุนมาเรียบร้อยแล้วค่ะตุนมาค่ะท้าอาจารย์ต้านี้ซื้อตามซ u p e r ร์มาร์เก็จะมีขายหรือว่าต้องไปซื้อที่ร้านร้านเฉพาะอ๋อก็หนูก็พอดีแบบ ด้วยความที่ว่าที่นี่ค่ะเขาจะมีข้างบ้านนะคะ <c oughs> เขา <c oughs> เขาาเาอธิบายเขาบอกหนูว่ามันมีร้านอยู่ร้านหนึ่งที่มันเป็นเหมือนคล้ายๆโฮมเซลลแต่มันไม่ได้มีของครบทุกอย่างแต่มันจะต้องมีบัตรไงคะถ้าจาร์แล้วต้องจ่ายบาัตรแต่ตอนนี้ <c oughs> คนข้างบ้านนะคะ <c oughs> เขาให้เขาเขาพาหนูไปเ ข, เขาพาเขาพาหนูไปแล้วก็ให้ให้ให้ให้ชื่อ เอาแบบคือบันเนี่ยสามารถใช้ได้สองคนเขาก็เลยเอาใส่ลงไปให้ยืมบัตรใช้ได้ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่จําเป็นต้องจ่ายค่าสมาชิกเพราะว่าอะไปคนเดียวค่ะหนูก็เลยไปเอาข้าวมาค่ะท่านอาจารย์เพราะกลัวข้าวสารเนี่ยข้าวสารเนี่ยขาวสารไทยอะค่ะข้าวสารที่มาจากประเทศไทยอ่ะค่ะท่านอาจารย์ของพวันนี้เราซื้อร้านที่เป็นของของชาวเอเชียหรือบปล่าไม่ไม่จําเป็นนี้ อ๋อไม่จําเป็นค่ะท่านอาจารย์แต่ถ้าเกิดร้า น, นที่เขาขายคนทั่วไปก็มีขายค่ะมีค่ะที่ห้างอะค่ะมีขายค่ะแต่ราคาแพงอะค่ะท่านอาจารย์แต่ถ้าเกิดโ h o l e ล a นี่แบบซื้อแบบเป็นกระสอบเอ่อเหมือนกระสอบละประมาณสิบสิบเอ็ดกิโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณช่วยลดประหยัดไปได้เยอะค่ะครึ่งต่อครึ่งเลยคะ่ะแทบแทบเกือบครึ่งต่อครึ่งอะค่ะท่านอาจารย์ แล้วหนูก็กลัวว่าเรือมันจะไม่มีเพราะว่าสินค้าพวกน้ํามันอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องน้ํามันใช่ไหมคะถ้าอาจารย์กับตะวันออกกลางหนูก็เลยแบบวันนไม่มีข้าวมากินขายได้แต่อยาขายข้าวนะข่าท่าอาจารย์กินน้ําบังไม่ค่อยอร่อยนะไม่เหมือนกินข้าวนะข้าท่าอาจารย์ก็เลยแบบตุนข้าวไปตุนข้าวแล้วก็ตุนเนี่ยค่ะไปตุนข้าวตุนน้ามันมากรอกอะไรเงี้ยค่ะแล้ตุนข้าวท่านท่าอาจารย์ ขเขาเย็นเขาเย็นก ง, งไม่ต้องสุ๋นพวกน้ำโป่ ง, ปงน้ำปลาแล้วไม่ต้องค่ะน้ำปลาคือเมื่อกาวที่แล้วหนูเอาซอสมาจากเมืองไทยแล้วแล้วก็วน้ำปลาก็มีมีอยู่เยอะแล้วก็น้ำปลาหนูก็แบบเดี๋ยวนี้ก็แบบถ้าไม่มีน้ำตาถาไม่มีน้ำปลาเราก็เอาเอาเกลือแทนนะคะถ้าอาจารย์เพราะว่าทำกับข้าวหนูก็เกลือแทนค่ะแต่ของที่เป็นแบบไทยๆทยี่เราไปซื้อตามร้านทั่วไปไม่ได้ใช่ไหมไม่มีใช่ไหม ที่นี่ไม่มีคหนูจะต้องเอหนูจะต้องไปที่เอบอร์ลิงตันก็คือแวรงมอะค่ะก็คื อ, อะจะต้องอขับรถไปประมาณชั่วโมงหนึ่งนะค่ะถ้าอาจารย์มีร้านค้าแบบของเอเชียขายอย่นี้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าในในใ น, ในเมืองหนูที่อยู่เนี่ยมันไม่มีร้านเอเชียนะคะท่าอาจารย์ก็เลยก็ตามนี้ก็คือแต่ข้าวนี้ก็มีขายทั่วไปทั่วไปค่ะในห้างวอลมาร์ทห้างอะไรนะคะถ้าอาจารย์แต่ละาคาโคตรสบ นอกจากค้าวแล้มีอะไรไหมของที่เป็นของเอเชียที่ขายตามโมมาก็มีแค่เนื้อน้ำซอสแต่น้ำซอสที่มาจากเมืองไทยไม่มีค่ะถ้าอาจารย์มีแต่น้ำซอสที่มาจากเออ่ทางญี่ปุ่นายากี้อะไรพวกนี้ใช่ค่ะถ้าอาจารย์ที่อาจากทางเม็กซิโกพวกซอสเพลกมาจากเม็กซิโกใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะท่านอาจารย์แต่แ ต, แต่แต่หนูก็ไม่ได้แบบ ไม่ไม่ไม่ได้อะไรก็คือขอให้มีแค่ซอสไทยอยู่แค่สองสามอย่างก็โอเคแล้วค่ะซีอิ๊วขาวแล้วก็ซีอิ๊วซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยแล้วก็ซอสขาก็แค่นั้นเองที่หนูคือพยาามก็อยู่แล้วก็อ adapted ค่ะอาจารย์เพราะว่าอยู่ที่ไหนมันก็บางครั้งมันก็ไม่มีแต่เราก็ก็อ a d a p จนกระทั่งว่ามันมันเราก็ปรับตัวของเราได้ค่ะอาจารย์ ยังเป็นจริงๆก็กินได้กินได้นะถ้าอาจารย์ก็อย่างน้ำปลาค่ะแต่สมัยก่อนก็แบบจําเป็นต้องใช้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ไม่เป็นอะไรที่แบบอืใช้เกลือก็ได้ใช้เกลือก็ได้ถ้าอาจารย์ก็มีซีอิ้วซีอิ้วก็มีขายเยอะซีอิ้วก็มีพวกคิโคแมนอะไรเงี้ยค่ะของเราก็มีของจีนอะไรเงี้ยค่ะถ้าจะแต่มีนิดเดียวค่ะนิดนิดหน่อยๆอะไรเงี้ยค่ะมันไม่มีตัวเลือกเยอะอะค่ะถ้าอาจารย์ค่ะ ก็อยู่ตามนี้แต่เมื่อคาวก่อนใช่ท่านอาจารย์ก็ปรับตัวเอาปรับค่ะท่านอาจารย์ไม่ไม่ค่ะท่านอาจารย์ก็เหมือนเดิมยินดีตามมีตามิค่ะแต่ละประเทศแต่ละประเทศก็ปรับตัวกันไปค่ะท่านอาจารย์ค่ะโอเคขอให้ผ่านขอให้ผ่านวิกฤตไปด้วยดีนะค่ะท่านอาจารย์ขอขอบคุณท่านอาจารย์หยาสุลค่ะลาทุกค่ะ อ่าคุณจอยต่อจอยพุณนี้มาใส่บาหรับว่าไปค่ะลูกชายนอนแล้วเหรอยังอยู่นี่ได้เล ย, ยหัดยองยังไม่รีบนอนอยังพรุ่งนี้ก็พรุ่นี้ก็ไม่เตือนเตือนก็เหมือนกับคนไม่เตืนออเคสิ่งเปราะสองหนูหนูจะเล่าว่าหนูไปทำอะไรอ่ะค่ะ หลัางป่าช้าค่ะแล้วหนูได้ไปเอ่อตอนแรกหนูก็ทําบุญก่อนแล้วหนูก็ทีนี้เขาก็เลยเหมือนแบบไปขุดตามถุงศพไญาติมาแล้วเราก็ทําศาสัสเขาจะให้ถุงมือหนึ่งอันแล้วก็แปรงสีฟันเอาไว้ขัดกระดูกแล้วหนูได้จับกระดูกจริงๆของคนตายแล้วค่ะอือน่าเบื่ไหแล้วมันทําให้หนูว่าตอนแรกอะหนูทําไปหนูไม่ได้กลัวนะใจหนูคือไม่ได้กลัวเลยว่าเขาจะยังไงแต่หนูก็ แต่พอมันทําให้หนูรู้สึกว่าเหมือนกับว่ามันมองคนอื่นแล้วมันกลายเหมือนเป็นกระดูบไปได้ อ, ะะอ่ะค่ะเพราะว่ารู้สึกว่านี่ก็คือเราเราก็คือเขามันเขาเคืออาณาเขาชงเราเราเครืออดีตของเขาเราได้เห็นหัวกะโหลกหราก็เช็ดในส่วนที่แบบขาเขาอะไรเขาให้มันทำความสะอาดเพื่อเพราะเขาฝังมานานรู้ใช่ไหมคะ แล้วก็เหมือนก็ไปรวมกันแล้วเขาก็จะไปเก็บที่ไหนหนูก็ไม่ไม่รู้หรือจะไปเผาปอกก็ไม่รู้เพราะว่าหนูก็กลับก่อนดนู น, น, นูทำได้แค่ล่างเดียวว่าเพราะว่ามีงานด่วนแล้วทีนี้มมีครบ ม, มีมีครบทั้งทั้งทั้งตัวอะไรใช่มีครบค่ะ<ม>เขารวมเป็นคนหนึ่งเลยค่ะมีหวัวกะโหลกมีแขนมีอะไรแต่หวัวกะโหลกหนูไม่ได้ไม่ได้จับเพราะว่าคนที่เขาแบบ อาจารย์อาจารย์เหมือนคนที่เาวขาโตกว่าเขาเขาทำอยู่ในหลุมนเนี่ยที่ขุดขึ้นมาเนี่ยใช่ค่ะก็คือช่วยกันหลายคนมากกี่คนหลายคนหลุมนึงเนี่ยมีหลายคนนะใช่หลุมนึงหลุมนึงมีหนึ่งมีหนึ่งคนค่ะแล้วก็แต่คนที่ช่วยกันําศารหละคือรลุมกันมีมีหลายคนเป็นสิบคนแล้วใครเหมือนก็มาช่วยคนท้านแล้วมันคนอยู่ลอะคือเจ้าหน้าที่ของเขามีค่ะข อ, ของของสว่างอะไรอย่างเงี้ยคือเขามามาม า, มาขุดแล้วเราก็เหมือนไปรับแต่เขามาแล้วเราก็ทำความสะอาดให้าาให้กับล่างนั้นให้ล่างนั้นแบบ สะอาดแบบเพ<อ>รา้ว่าใช้แป้งอย่างเดียวขัดแคดดินออกเพราะว่ากระดูกกจ็จะหลุดอยู่แล้วมันเหมือนกับฝังงา น, น่ะคะไม่มีกลิ่นไหมไม่มีทรายหนูคือว่าหนูได้ความดาันแบบว่าเออฉันทำได้แล้วก็คือฉันก็คือเขาเขาคือฉันแล้วหนูก็เลยใช่ค่ะแล้วทีเนี้ยพอออกมาจากตรงนั้นก็คือเหมือนเบาใจแล้วคิดว่า ทุกคนก็คือเราแล้วเราอ่ะแย่งอะไรกันน่ะมันไม่มีอะไรเปของเราเลยอ่ะมันหนูคิดขึ้นมาได้อย่างนั้นนะคะดีอวาได้วางได้แล้วแล้วพอตอนกลคืนนอนใช่ไหมคะก็คือนองไม่หลับก็คิดไปว่ามันแดงติดตายอยู่ค่ะอถ้าคิดว่าเขาอ่ะแล้วหมาหอนก็คิดตามมาหรือเปล่าหนูก็เลยบอกว่าไม่ต้องตามมาแล้วทําให้หนูรู้อย่างว่าร่างกายอ่ะ กับจิตกับสมองอ่ะมันสมองมันคิดตลอดเวลาเลยแต่ร่างกายอ่ะมันคืออีกอันนึงที่ไม่ได้คิดไปกับสมองอ่ะมันมันทําให้เห็นภาพเพราะว่าหนูเหมือนแอบแอจะกลัวว่าเขาตามหูมาพอถึงบ้านอ๋อไม่ได้คิดหรอกที่คิดมังเป็นจิตใช่ค่ะหนูก็ทําหที่พ่อตาสอนว่าอืมที่จริงมันไม่ได้มีอะไรในเราแหละไปปรุงเองใช่ไหมคะนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งวองร่างกายมันคิดไม่เป็นมันมีแคนหน้าที่ส่งสัญญาณไปให้แขนขา ให้มันเคื่อนไหวนั่นเองเวลาจิตสั่งให้ยกแขนเนี่ยสมองก็จะส่งสัญญาณไปที่แขนให้ยกขึ้นมาแต่สมองไม่ได้คิดคิดเองไม่เป็นแต่เรารับคาสั่งจากจากจิตอีกทีนจิตไม่ได้อยู่ในร่างกายจิตอยู่เนพบหนึ่งอยู่ในโลกทิศจิตก็คือตัวที่เรารู้ ตัวรู้ตัวคิดเนี่ยอไม่ใช่ตัวร่างกายแต่ร่างกายกคือส่วนหนึ่งไม่เกี่ยวกับเลยร่างกายก็เหมือนล้อยนต์จิตก็เหมือนคนขับล้อยนต์เนี่ยคนละคนกันคนละสมวยกันแล้วจิตร่างกายต้องรอให้จิตสั่นวันมันรถอะรถจะต้องรอให้คนขับสั่งไว้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาวิ่งหน้าวิ่งหลังไปถ้าไม่มีคนขับรถก็จอดอยู่เฉยใช่ไหมอ๋อ การโดดที่เราไปร้างเนี่ยไม่มีคนขับนะใช่ค่ะอคือใช่เลยแบบแบบแบบเราวมันเขาจบก็ไปรับบุญรับกรรมไปเกิดใหม่แล้วอธิบายไหมอ๋อเปลี่ยน<อ>ไปเกิดใหม่แล้วค่ะทิ้งร่างกายเก่าแล้วก็ไปเ็นได้ร่างกายใหม่ไปเกิดใหม่อยู่ในท้องแม่คนใหม่แล้วค่ะแต่ว่าร่างก็คือ เหมือนถ้าต่อพระทั้งสองคือว่าจิตกับร่างกับกายอ่ะมันมันไม่ใช่กันละกันมันคือเหมือนที่นคนมันคน้องคนร่างกายมันคนนึงจิตเป็นอีกคนหนึ่งก็คือว่าถ้าทุกวันนี้ที่เราเป็นอยู่เพราะเรายึดใช่ไหมคะยึดว่ามันเป็นเราใช่ไหมเราเราลงไม่คิดว่ามันเป็นเราอืะแต่มันไม่เป็นเรามันเป็นคนรับใช้เราเราสั่งให้มันพาเราไปนู่นมานี่ค่ะ นูนูก็ว่าพวกนี้มันพวกนี้เราก็สั่งมันให้นำไปใส่บาตรนะครับมันเข้าไปถ้าเราไม่สั่งมันมันก็ไม่ไปมันก็จะอยู่ที่บ้านเฉยใช่ค่ะมันต้องรัคําสั่งก่อนแต่เหมือนกับจิตของเรามันเริ่มไปในทางนั้นมันก็สั่งให้เราให้ไปในทางธรรมะสั่ให้ไปทางบุญใช่ค่ะคนที่ชอบไปทางบาปเพราะว่าจิตก็จสั่งให้ไปทําบาป วันนี้ไปตกปลานะวันนี้ไปยิงงอกนะอวันนี้ไปกินเหล้านะอนไปทางบาปจิตสังไม่ไปคนคนรับบาปไม่ใช่คนรับบาปรับบุญไม่ใช่ร่างกายร่างกายมันไม่ได้รับบุญรําบาปผู่ได้รับบุญรับบาปในใจทําบุญแล้วใจสุขไหมสุขค่ะออทาบาปแล้วใจทุกข์ไหมทุกข์ค่ะนั่นแ้ละไม่ใช่ร่างกายสุขร่างกายทุกข์ใจเป็นผู้สุขใจรับ ไอ้่ปุ๊บตู้งั้นก็ให้ ก, ก็เหมือนจะฮะอืมฮะแต่ว่าได้ไปทำก็ดีนะคะดีตรงทีวง่ว่าอทุกวันวันนึงมันจะต้องตายต่างกายใ น, นวันนึงมันจะต้องตายค่ะแบบมองคใครมัาแล้วมันจะโปง่งแล้วมันจะไม่ค่อยอยากจะโลดได้อะไรกับใครนะไม่อยากจะไปแต่งแยกชิ้นดีนะใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะทุกวัน คอเริ่มพิจารณาไปเลยนะคะรู้สึกว่าทําทําไมอ่ะมันเหนื่อยอ่ะเอาแค่ที่จาเป็นก็พอแล้วเงี้ยค่ะอ่เนี่ยนะถูกต้องพออยู่พอกินเศรจฐกิจพอเพียงมาทําบุญดีกว่าอเอาเงนเนีียญเงินทองเนที่เหลือมาทําบุญดีกว่าอย่างเง้ยไปเที่ยวไปกินไม่เล่มค่ะแต่ว่ามีโอกาสก็ดีถ้าหนูไ ป, ปอีกก็ดีใช่ไหมค ะ, ะไปบ่อยๆเลยไปเรื่อยๆจะเห็นให้มัน แต่รู้สึกว่ามันฟงได้วางได้นะเดี๋ยวสองสมันก็ลืมเนี่ยถ้าไม่ปล่อยไปบ่อยเนี่ยแลวสองสาวันก็ลืมได้ถ้าถ้ามีถ้าหนูเห็นอีกเดี๋ยวเดี๋ยวท่านโลมเดี๋ยวอีกสองสามวันก็กลับมาโลมใหม่กดใหม่จริงค่ะมันจะหลุดใช่ไหมคะอมันมันเลิมไปแล้วมันต้องกลับไปเตือนย้ำเตือนอย่างนี้เลยถ้าไม่ถ้าให้ไปก็ต้องคิดอยู่บ่อยบ่อยพี่ถึง ปนงเอาที่ที่เราไปเราถ่ายรูป ก, กลับมาในโทรศัพท์เลยเออถ่ายในโทศัพท์ไม่ดีให้มันอยู่ในใจดีกว่าในโทรศัพท์มันก็ไม่เปิดได้คือคืออันนี้คือภาพจริงแบบไม่แต่งไม่ไม่ปรุงแต่งจับกับมื อ, อ, อมาคิดบ่อยๆให้มันอยู่ในใจเราต่อไปจะได้ไม่ต้อง ไ, อไปเปิดดูในโทรศัพท์นึกถึงปุ๊บมันก็ผล่ขึ้นมาเลยในใจเราฮะฮะหมดวันนั่งไปปฏิบัติมาคิดทุกวัน ก่อนนอนต่นอนขึ้นมาก็คิดถึงก็ภาพกระดูที่เราไปทำมามันจะได้ไม่ลืมถ้าไม่ทำทุกวันเดียวไม่ได้เลยหนูพยายามัะลึกถึงพุทโธระลึกถึงอะไรแบบพยายามไม่อยากจะแบบไปคิดมันจะร้อยไปเยี่ยมป่าช้าเนี่ยเป็นดูของจริงได้ไปมาเลยค่ะสู่สาลอละอันนี้ก็มีกรรมฐานอย่างนองานลงอย่างมานานุสติ นีให้นึกถึงความตายอย่างนี้เลค่ะแล้วคำโลภความโกรธมันยังไม่ค่อย้าโผขึ้นมาจริงค่ ะ, ะจริงมากเลยค่ะมันมันไม่รู้สึกว่าจะอยากได้อะไรใครไปทําไมแล้วรู้สึกแบบแต่เดี๋ยวมันเลยถ้าไม่ใครมันนึกอยู่เรื่อยๆคะใช่ค่ะแล้วเราเรามันนึกอยู่ทุกวันอย่าเลยค่ะถ้าถ้ามีโอกาสตรงไหนหนูก็ไปได้หนูจะไปอีกค่ะดีถ้า<ะ>ยังไม่ไปก็้องคิดอยู่ทุกวันให้ได้เลยค่ะ เป็นอนขึ้นมาชวนนนใช้กันนึกถึงภาพเหล่านี้ผ่านนอน่วนนอนใช้กันนึกถึงภาพเหล่านี้ค่ะค่ะที่บอกแล้วมีความแก่เป็นธรรมดาแล้วมีความตายเป็นธรรมดาเนี่ยภาพเหล่านี้มันจะมาย้ำเตือนเราค่ะมันมันทําให้เราเบากับความรู้สึกว่าเราต้องรักหรืออะไรอย่างเงี้มันจริงชงังมันเมามันนอนเยอะจริงเนานไม่ไปแบกก่ง อ, อะไรมาก ับสมบ่ติเช่าของเองินทองเงินคนอะไรต่างๆที่เราเคยแบ่งยัไม่ค่อยแบ่งไปแล้วในเสด็กจก็ต้งจับพัฒนาจากกันไปถึงก็ไปเจอกันที่หลวงปับสมมะไม่ได้ไปไหนไปทุ่ไม่ไปหลุมฟังสมก็ไปที่เมนคนะ่ะใช่ครับมันเป็นอะไรที่ปรงุงเหมือนที่พระอาจารย์บอกมากนะคะมันกรรมฐานอย่างหนึ่งกันใช่ค่ะใช่เขาทำกันอย่างเดิมก็แล้วกันพยายามทำทุกวันค่ะ ไม่ต้องไปทราบก็ได้ถ้าเราทาทุกวันอ๋อหมายถึงว่าถ้าเจ็ดเราลึกตลอดเวล า, <อ>าก็ได้ลตลอดเวลาังก็ไม่ต้องไปกันเลแต่อยากจะไปก็ได้นะที่ให้ไปเพื่อให้ตอกย้ําเพื่อไม่ให้หลงแม่ลืมถ้าเราถ้าเราไม่ลืมเราไม่ต้องไปก็ได้คโอเคสาทุกฝากหนก็เป็นยังไงวุ่นขึ้นเมื่อพร้อมเรา น้ำมน <ทำ S 2> ร, รถรถไปประมาณสิบกิโลครับเออทายัางไงนะออกครมาหังแล้วก็ไปออกกำลังกายบ้างก็งดข้าวเย็นครับแล้วก็ซูข้เยนได้นะได้เหนื่อยอยู่เหนื่อยยุ่กันครับออก็ว่าจะลดนี่แล้วก็อาจจะไปต่อครับแต่ว่าเดี๋ยวรอดูกำลังก่อนเพราะว่าน้าหนัก ตอนนี้มันสูงคงสูง165มันจะควรจะประมาณ60โลกว่าตอนนี้73มาร์จาก84มา63ไป73สิบเอ็ดกิโลวันนี้วันแปดแปดโลถึงสิบโลครับทำได้ทำาครึ่งทางแล้วทาต่อไปความพยายามอย่ที่ไหนความจำเป็นอยู่ทไนทำได้แล้วครับทำได้ครึ่งทางแล้วอ่าอย่าหยุดกัน แต่พยายามครับเราไม่มีอะไรมากครับจิตใจดีขึ้นไหมก็ผ่านอะไรม่เยอะครับก็เลยรู้สึกปลงวางได้ถ้ามันทุกข์มากก็ทํำอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางครับอแล้ว<ร>ก็ไม่ต้องฆ่าตัวตายนะไม่เคยคิดฆาตัวตายนะไม่ไม่เคยครับออย่าไปฆ่าตัวตายนะปัญหาไม่อยู่ที่ร่างกายปัญหาอยู่ที่กินเลสของเรา ก็เดี๋ยวนี้ก็ยอมใครทํำอะไรก็จะยอมจะแบบไม่ค่อยเหมือนปัญหาที่บ้างก็ยืนเย็นยอมหยุดต่อสู้ก็มันก็ไม่เย็นมันก็ไม่ปัญหาตรงไหนครลบอืมไปใจใหญ่ก็าปล่อยเขใหญ่ไปเขาเยอะไปเจะพูดอะไรก็าปล่อยาไม่ไดก็ทํำตามเป็นคนรับใช้อะไรอย่างนี้ครับอ่าดีทําตัวเป็นเจ้าบ้างก็โมโหบ้างบางครั้งแต่ว่า ยังไง ก, ก็ก็ทําตามแบบว่าเหมือนเขาอาธิบายอะไร ก, ก็ทําให้คนระับอครับดีทีส่สบายสบายใจครับแลมันก็ไม่ไม่ต้อก็ไม่เถียงกันไปทะเลาะกันครับเหนื่อยบ้างไม่ได้ไประโยชน์อะไรพอมันผ่านไปแล้วมันก็ก็โอเคไม่มีเรื่องอะไรมันก็สบายใจเหมือนพระอาารยบอกครับอ่อครับอย่ามายึดมาติดมันผ่านไปแล้วอันนั้นกอดปุ๊บมันก็ผ่านไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วครับ แล้นอืน่นก็ไม่มีอะไรครับก็ต้องพยายามนั่งสมาธิด้วย จ, จะช่วยได้มากเลยถ้านั่งสมาธิได้ว่าว่าจะลองดูว่าจะลองทํ า, าเหมือนเดิมก า, ารเคลื่อนได้ดจะปล่อยวางได้มากขึ้นได้ไง่ายขึ้นครับก็ร่างกายมันโอเคแล้วเริ่มเริ่มรู้สึกว่าขยับตัวอะไรเริ่มรู้สึกว่าแบบคล่องแคล่ว ข, ขึ้นอย่างเงี้ยอาจจะนั่งสมาธิได้ดีขึ้นกว่าเดิมครับได้เบาตัวเบาขึ้นแล้ว ครับเบาครับเด็กโอเไม่ตองย่าถามแม่ไม่มีละครวันมี้สุขภาพแข็งแรงครับโอเคถ้าอัวคมาลยอาจารุณมาลยนี้ย่มจําสทุกวันนะการหลวงพ่อค่ะไม่เศร้าไม่โศกไม่เสียใจค่ะหลวพ่อ่จเศ้าไปทำไมคนเศร้าก็คือคนบ้านะค่ะหวงพ่อ สุกก็ไม่เอาทุกก็ไม่เอาค่ะหลวงพ่อแค่แค่รู้มันเฉยๆค่ะหลวงพ่อให้ร <ừ> ักษาใจค่ะหลวงพ่อเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเข้ามาแล้วมันก็ออกไปมันไม่มีอะไรเชี่ยงแน่นอนใช่ไหมค่ะมันเป็นเหมือนหนังเลยมันปั๊บมันก็ไปแล้วหนังเรื่องเก่าหนังเรื่องใหม่เข้ามาปั๊บไม่กี่มันก็ได้ออกลงไปแล้วน้ําใหม่ก็เข้ามาใหม่แ้วค่ะหลวงพ่ อ, พ อ, พอแต่ว่าที่มันมามันก็เรื่องเดิมค่ะหลวงพ่อหมายถึงว่าก็าคือสุกกับทุก แค่นี้ค่ะแล้วก็เฉยๆมันแค่แค่เวียนเงินเข้ามาแค่นั้นนะคะหลวงพ่อแล้ะเราไปสั่งมันไม่ได้ใช่สั่งหลวงพ่อห้ามก็ไม่ได้บังคับก็ไม่ได้ค่ะแต่ใช่ค่ะแค่แค่เราไม่เข้าไปเล่นกับเขาไม่ไม่เข้าไปตามเขาแค่นี้ค่ะหลแล้วก็สบายแล้วก็ไม่เฉยๆไปมันดูหนังก็ดูไปเฉยๆอย่าไปตื่นเต้นตกใจกับหนังที่เราดูค่ะหลวงพ่อ ก็หนูก็เขียนเขียนไปเรื่อยๆกับหลวงพอ่อเนี่ค่ะโอเแ่ okay. ไม่เวลาก็ไปต่อนะกล่าวขอบคุณหลวงพอ่อค่ะหลวงพ่อรักษาสุขภาพทัดทานเลยนะค ะ, ะสาธุค่ะ ค, คุณครูนิงตาเชิญคุณครนิงตาค่ะครับพระอาะจารย์ก็เข้ามากล่าว ค่ะีปยนอะไรไหมไ ม, ไม่มีค่ะพระอาจารย์ก็อ่อาเข้ามากันเด็าาเด็กสามคนมีไงพัฒนาการเยอะนะเดี๋ยวนี้นค่ะดีขึ้นดีขึ้นเยอะมากเลยค่ะแต่ ว, ว่าก็ยังยังดื้อยอยู่เพราะว่าโดนตามใจอะค่ะพระอาจารย์คนโตอเอ่อคนแก่ตามใจบางทีก็ต้องดุกันหน่อยนึงนะค่ะพระอาจารย์ อ่าก็ต้องสอนบ้าถ้าผิดอ่าก็ควรจะเป็นถ<ช>้าปไปเนี่ยจะคิดว่าเป็นของถูกไปใช่ค่ะพระอาจารย์บางทีอ่าคนโตโดนตามใจมีอะไรคือมีคนทําให้อย่างไงครับอืมอืมก็ไม่รู้จกักพึ่งตันเองค่ะพระอาจารย์ไม่จับไม่รู้จักพึ่งตันเองพอบอกก็จุกฝ่ายหนึ่งเหมือน ไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยค่พระอาจารย์แต่หนูก็ต้องบอกค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันจะต้องติดตัวเขาอะค่ะพระอาจารย์ถ้าไม่สอนมันก็จะต่อไปมันจะยุ่งมันจะยากใช่ค่ะจะยากยิ่งโตยิ่งยากเพราะว่าทุกวันนี้มันก็ไม่เหมือนเดิมนะคะพระอาจารย์จิตใจปนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่มอค่ะ ก็ต้องได้บอกทั้งทั้งเด็กทั้งคนแก่ครับอาจารย์อืต้องม่มีอะไรแต่สิ่งสําคัญผมก็ต้องพยายามรักษาใจตัวเองให้ได้นครับอาจารยอย่าคเครียดไปทุกกับใครนะค่ะค่ะพระอาจารย์อันนี้อันนี้ดีมากเลยครับพระอาจารย์ไปเครียดไม่ไทุกอะไรกับใครครับอาจารย์เนาะดีขึ้นเขาแบบนี้ไม่เปลี่ยนเข้าไม่ได้หรอกค่ะ หนูก็อาเปลี่ยนเขาไม่ได้มาเปลี่ยนตัวเองดีกว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจ๊ะใช่ปล่อยวางดีกว่าทนที่จะไปยึดไปติดกับเขาอ่าอันไหนที่บอกได้ก็คือบอกให้หมดต้ก็ต้องลองได้หราได้ทําไปลองทาไม่ฟังก็ตามไปแล้วไปถ้าไปมากวันนี้ดุแล้วเอะไรจะมาหาว่าไม่เตือนนะนะเตือนแล้วนะค่ะไม่เกิดขึ้นไม่ให้ความผิดของเรานะ ค่ะค่ะเพราะว่ามีหนึ่งสองสามอยู่แล้วสเต็ปหนูอ่ะโอเคสูงสุดเท่านี้ก็คือจบแล้วค่ะพระอาจารย์อ่าดีอะไรกรับพระอาจารย์น้องกลาวพระอาจารย์ค่ะเดี๋ยวถ้าอายังไงพวกนี้ก็จะไปฟังทำคกับพระอาจารย์ได้คุณยนยิ้งตาชอบแมวตัว น, นี้มากนะยงไรงรักแมวตัว น, นี้มากนะแล้ค่ะ อืมยังอยู่เป่ายังมีชีวิตอยู่เป่เอยังมีชีวิตอยู่ก็ค่ะแต่ใกล้ใกลถุกวันลจ้าค่ะปแล้วล่ะสิบหกมั้งเจ้าค่ะสิบหกขวบแล้วน่าจังเจ้วค่ะก็เป็นคนร้อยร้อยเกินร้อยไปแล้วประมาณแปดแปดสิบเก้าสิบประมาณเจ้าะ 8, 9, 9, 9. แปดสเก้าต่ว่าเขาตอนนี้เขาไม่ใช่แบบนี้แร้วเขาเหมือนพวกตุ๊กตาเน่าก่ข้าใจอืมตุ๊กตาเวลา ใช่ใชเจ็บตายเหมือนกันแมวหมาก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันหนูคิดถึงพระอาจารย์อ่ะเพราะว่าปีนี้คือหนูต้องประหยัดเราหนูเลยคิดว่าหนูจะไม่ลงไปสัตหีบหนูจะอยู่แต่บ้าน่ทีใช่ใช่ก็หนูก็แต่ปกติหนูจะแบบปีหนึ่งหนูต้องลงไปหาพระอาจารย์สักสครั้งใช่ใช่ใช่พระอาจารย์ใช่ใช่ก็จัดประหยัดนั่งคิดว่าเซฟแล้วก็เอาเงินไปช่วยคน อ, อทำบุญที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเดินทางมาเข้ามจังหวัดมาทำบุญที่นั่นที่นี่ทำบุญเอาใจ<ป>ตัวเราก่อนนะไปหาพระอาจารย์เพราะว่ากิเลสล้วนๆพระอาจารย์เอาเอาใจตัวเองเป็นหลักคิดถึงพระอาจารย์ก็อยากไปแล้วค่ ะ, <laughs> คะพระอาจานยสบายดีไหมเต้าค่ะแก่เยอะไหมเต้าค่ะ อ, อก็แก่ไปตามเวลาทุกวันมันก็แก่ลงไปวันละนิดวันละหน่อย ไอ้ไอ้ตัวที่ผาจังอยู่อันนี้คือมันผาจันว่ามันเสื่อมไปเยอะไหมปีเนี้อะไรร่างกายเลยใช่ผาจังมันก็ไม่เสื่อมอะมันก็ยังทําอะไรได้อยู่เองแต่ว่ามันเก่งดีใจอ <laughs> <laughs> ยู่ต่ออยู่ต่อ <laughs> อ, อ๋อไม่มกวนะอยู่ได้ก็อยู่ <laughs> ไม่ได้ก็ไป <laughs> เข้าใจต่อค่ะแต่ก็แอบแอบิจฉ น, นะเพราะว่า <laughs> คือแบบหนูอยู่ไกลอะหนูเข้าใจคนอยู่ไกล ล้วมีโอกาสไปได้ก็อยากไปเจ้าค่ะนี่ยฮพามาในห้องนี้ก็เหมือนกันนะเหมือนกันเหมือนกันแต่ก็พูดตรงๆค่ะอาจารย์ที่เวลามหาล้วที่กุติในพูดแค่คำน้องํำนะแต่ทุกครั้งที่ไปที่กุติผาจันท์มันจะมีความสุขแบบที่ที่เราอธิบายที่ทุกคนไปแล้วจะรู้แล้วก็แบบมันเย็นนะอาจารย์ถึงแม้อากาศมันร้อนนะแต่แต่ข้างในมันเย็น ใจสงบเลยเย็นอ้าว อ, อาจารย์ไม่ได้แผลให้หรอว่ามันเย็นเราไม่ได้แผล้วแผลไว้แล้วตัวแผลตัวมันใช่ไตัวแผลตัวมัววมเหมือนเดิมออคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์อัตต า, อ, ตาอิอตโนนาโถ่เออเจ้าค่ะลืมคอนเซ็ปต์ ไ, ไ, ไป sorry แบบเราไม่ได้เป็นเครื่องปรับอากาศที่จะส่งให้คนได้คนนี้ใช่ไอ้าวแต่คิดตลอดเลยนะว่าแบบหูพอแบบเข้าไปนั่งปุ๊บอมบรรยากาศมันแบบเจีนใจจังเลยเย็นเย็นอะไรเงี้ยแต่แบบมันหยาดร้อนนะเป็นอย่างนี้ ใแต่มันมันมันไม่ค่อยมีของของทั้งโลกเลยที่มันร้อนเาของทั้งโลกที่กิเลสสร้างขึ้นมาเห็นป้ายเปิยมันก็เป็นเรื่องจากกิเลสไปหมดนะเห็นไหมป้ายโฆษณาป้ายนู่นป้ายนี้เห็นแล้วใจก็ร้อนแต่มาที่นี่มมีแต่ต้นไม้มีแต่ของธรรมชาติมันก็เลยเย็นทําให้ใจเย็นขึ้นมากิเลสตัวที่มันเวลาเจอพระเจ้าแล้วมันดีใจมากๆมันยังไงพระเจ้ามันคืออะไร ไม่ใช่กิเลสแล้วมันเป็นความปิติอหรออ๋อมันไม่ใช่กิเลสแต่รู้สึกมันบัลิงโลดมากเลยอ่ะอ่มันได้สัมผัสกับความสงบมันบรรยากาศของความสงบที่ว่าธ้รมัที่สงบเหมือนเข้าห้องแอร์ทุกครั้อ๋อใช่ใช่ใช่เข้าห้องแอร์ไปเจอไปเจอไอดอลอย่างเงี้ยเข้จเจอความเย็นเจอความสงบอืมเจอขางถูกใจ ถ้ให้พรกะเหมือนกับใครจะทําได้แบบผาจันเนี่ยมันก็น้อยใช่ไหมเราก็รู้กว่าเออาจารย์เป็นไอดอลอะแต่เราก็ไม่ยอมทําตามนะเราก็เป็นแค่แฟนคลับที่กีดกีดอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยแต่ก็ดูไอดอลที่ปฏิบัติ <c oughs> อยู่อะไรเงี้ยเม่อไหร่จะ <c oughs> ทาตาม <c oughs> เมื่อไหรนั่นสินะอย่าง <c oughs> เงี้ยผาจย์จากใจแฟนคลับเจ้าค่ะออมันต้องมันต้องมันต้องพยายามทําให้ได้มันติดไอ้นี่เนาะอันเรียกว่าอะไรอะคามาสุบใช่ไหมค่ะจ๊ะใช่ความสบาย ใช่หนูติดมากอืน้องหนูยังมีไปบวชนะอืมแต่หนูหนูรู้เลยว่าไม่ไหวมันข้ามเป็นเทศสินแปดมันข้ามันเทศสินแปดแล้วหนูติดแอลมากเลยพระเจืมดีใจที่พระเจ้าแข็งแรงเจ้าค่ะมีอะไรมีอะไรจะถามไหมมีเจ้าคะปีปีหน้าถ้ามีโอกาสอยากจะไปหาเจ้าค่ะขอให้พระเจ้าเนาะ โอเคเจ้าค่ะค่ะปัจจุบัอายุวนันโนสุขังพลังนะขอะคุณเจ้าฟังโอเครู้สึกตอนนี้ก็ไปที่คนร้านไะด้ใช่ไหมคนร้านมีคำถามไหมกราบนมะันสการาพระอาจารย์มีทั้งหมด3ามคำถามจากทาง Facebook เจ้าค่ะถามได้เลยกราบนมัสการพระอาจารย์ครับวิธีการทำสมาธิคือการหยุดคิดในสิ่งอิริยาบถ ยืนเดินนั่งนอนไม่มีวิธีอื่นนอกจากนี้ใช่ไหมครับทำใจให้ใจงบเหมือนก็ต้องต้องมีสติคอยควบคุมใจเคยต้องมีอารมณ์คอยผูกใจไว้ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ให้มีอารมณ์นั้นคอยผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ในในเอยาบททั้งสี่ แตเวลาที่เราอยู่ในแต่ระยาบ่นอาจจะเปลี่ยนอารมณ์ได้เช่นที่เรากําลังทําอะไรก็ให้มีมีอารมณ์ของการทำงานเป็นเป็นตัวคอยผูกใจไว้คอยเฝ้าดูว่าเรากำลงทำอะไรหรือเราจะใช้พุทธโธพุทธโธไปก็ได้ต้องมีอะไรผูกใจไว้แ้วใจก็จะได้นิ่งใจใจสงบเป็นสมาธิขึ้นมา คำถามต่อไปการอ่านหนังสือหรือฟังเทศต่อเนื่องจะทําให้จิตเข้าสู่ความสงบในทางภาวนาได้ไหมครับก็ได้ในระดับหนึ่งนครับการอ่านหนังสือต้องเป็นหนังสือธรรมะจะจะดีกว่าหต่ถ้ือหนังสือที่เป็นครูบาอาจารย์ใช้ปฏิบัติเขียนหรื อ, ห ร, อหรือแสดงธรรมอะไเนี่ยพมื่อไร่แล้วหรือของอุตตจาวก็ได้พ <c oughs> ระสูตรต่างๆนี้อ่าน ก็ <c oughs> สามารถทําใจให้สงบได้ในระดับหนึง่งแต่ไม่ถึงระดับขั้นขั้นสมาธิแบบเต็มลื่นแบบอาจจะได้บางส่วนห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี้อาจจะได้คํา <c oughs> ถามสุดท้ายการที่เคร่งกับการทําสมาธิตลอดทั้งวันกับการทําสมาธิแบบผ่อนคลายแบบไหนจะได้ผลดีกว่ากันครับ ไม่ดีที่แข่งเมื่อผ่อนคลายแล้วมันอยู่ที่สตินะทำาะไรต้องมีสติใ <c> ห <oughs> ้มีสติคอยควบคุมใจไว้ถ้าคร่งเกินไปมันก็ตึงเกินไปมันก็อาจจะทำให้เครียดได้ถ้าหย่อนเกินไปมันก็จะทำให้ไม่เกิดผลึ้น่เลยมันต้องยึดทางสายกลางไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปพอดีพอดีกับกำลังของเราแต่ต้องมีสติเป็นตัวกากับใจตลอดเวลา อย่าไปบังคับใจใจเราบังคับไม่ได้เราต้องใช้สติเป็นเป็นตัวที่จะคอยกล่อบใจให้เข้าสู่ความสงบหมดแล้วจะให้คําถามคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะวันนี้ก็คิดว่าหมดภารณีตลอดเคินนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญ ก้าวหน้าในธรรมยิงย่งขึ้นไปเถิด